แกได้ยังไอ้คนแกม่นมาอยู่จะของแจอยู่เออวันนี้วันต้นก็ขอแนะน่ทษั การเจริกรรมฐานการเจริญรู้กรรมฐานจริงๆขอบรนาฬ ย, ยาชนทุกคนยาทิ้นานาาองอนาฟานุสติกรรมฐานคำอนาฟานุสติสมายลลมให้ใจเขาออกการรู้ลมเขา้ารู้ลมออกเป็นรูปายอย่า ง, นงหนึ่งของพระเจ้าที่ระงับค ว, วามปุกกปุ๊กาสของจิต เจี่เลกกว่าถ้าติดขึ้นบกคนใดมีโมหะจริตกับวิโตจริตท่านเลใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นประจำเพื่อมายความมากถ้าจิดผู้ท่านมากเกินไปให้ใช่ลงให้เนเ้ดลงใจเข้าออกโดยไม่ต้องภาวนาอานนี้ก็รือว่าตามธรรมดาติดผู้คนเราทุกคนไม่พ้นความผู้จาน เพราะว่าการพูดสร้างในประจำจิตใจมาตลอดเวลาการคิดมากเป็นความธรรมดาของจิเวลาที่เข้ามาเจอพระประธานพระเจ้าแนะนําให้คิดเฉพาะในสิ่งที่เป็นประโยชน์คือทําลายสิ่งที่เป็นโทษที่เรียกว่ากุศลแต่ก็จำอย่าลืมมารดา ญ, ญาโยพระเวสัสเป็นธรรมดาของจิตที่เขาตกความพูดสร้ า, างมานาน เราจะไปบรับให้จิตอยูอเ่เฉพาะอารมณ์นิพพาและพิจารณา น, านั้นจะเป็นปัญญาต้ตองใช้วิธียืดหยุ่นตามคําแนะนําที่พระพุทธโฆษาจารย์โคจนาวิสุกิมัสท่านบอกว่าการผู้ท่ายของจิตเราจะหาวิธีบรระยับพยังได้สองอย่างคือหนึ่งเวลาที่พิจารณาภาวนาไป ถ้าจิตใจฟุ้งซ่านจีิงๆบังคับไปอยู่ให้เลิกก็เลยรักไปสอนถ้าฝืนบ อ, องทับอารมณ์จะไม่สบายจิตใจจะทุ่มจะไปรอ้องสะบั้นใจแล้วรายการที่สองถ้าจิตใจเริ่มฟุ้งซ่านไม่คิดนอกลู่นอกทางเราไม่เลิกจริงจะปล่อยมันคิดเพื่อหยุดภาวนาหยุดพิจรารณาปล่ยคิดไารท้อใจ ถ้าจิตมีการกำลังเสียมมันไม่มันก็เลิกส ม, มันเองถ้าจิตเลิกคิดหางไม่จับอนาปาุฤติจะรู้ใจเขาออกไปตอนนี้จิตอยู่เร็วนานอย่างน้อยจะสรงสมาธิได้ไม่ต่างกับซี่สมุนทั้งสองวิธีนี้ธรรมมาทดลองแล้วทุกอวิธีห ล, ลังนี่ดีมากแต่ละทางนี้ต้องเป็นไปทางความ พ, พอใจของบุคคลแต่ละบุคคล อย่าลืมว่าถ้าผู้ส้านมากเกินไปบังคับไม่อยู่อยาชนคุณอยาตั้งเวลาถ้าตั้งเวล า, วาอะไรทำซึ่งชั่วโ ม, มงบ้างหนึ่งชั่วโ ม, มงว่าสองชั่วโ ม, มงบ้างแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลานั้นจิตผู้สานมากเกินไปเราขืนคนเราก็เสียผลการจเจริญพุทอบัญญัตทุกแบบพระพุทธเจ้าเข้าการอย่างเดียวคือความเป็นสุขของจิต ไม่ไปทางแท่เป็นสุขวิธีควบคุมจิตที่มีสมาธิมีสงแบบแบบหนึ่งคือภาวนาให้จิตสงศ์ตัวอีกแบบหนึ่งเป็นอารมณ์คิดจะคิดตามทันลองที่พระเจ้าทรงสอนในกรรมฐานสี่สิแบบสงศตัวมีแค่สิบอดอย่างแต่แบบคิดมีที่ยี่สิเก้าอย่าง ในมาหาจิปานต้งสูแบบตรงตัวๆๆมีอย่างเดียวแบบคิดมีหลายสุดอย่างเราขอบนุดาตจนบริษัทเรื่องอาการตอบใจบางครั้งเราตั้งใจคิดว่าวันนี้จะทำจิตให้ทรงตัวหรือเรื่องการภาวนาจิตอยู่นี่แต่ก็ไปการมงเ อ, อินวันนั้นจิตไม่ต้องการอยู่นี่มาแดงคิด เราัวร้ขนาดไหนก็ตามคุมหนคมหนูาใจเขาออกยังไก็ตามมันจะไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้คิดต้องปล่อยจะไมคิดทีคิดก็ถ้าถามว่าคิดแบบไหนที่ยึดถกตออต้องตอบว่าคิดามต้อใจที่ยึดถูกใช่ไหมอันนี้ต้องไปดูในมหาวิทยาลัยสูตรหนึ่งว่ากรรมฐานคืคิดิดแบบไหนก็ตามสอบใจ โลภาว่าการเจรินสมาธิหรือวัฒนายานขอทุกคนมุ่งเอาคุณสมบัติจิตเป็นสำคัญคุณภาพของจิตอยาถึงปริมาณเวลาเป็นทุกขัญถ้าท่นานใดที่มีอารมณ์ไม่ขึ้นก็คิดเอาแบบง่ายๆต า, ามความเป็นจริงที่เห็นเองให้ว่าแบบไรักัลยานคิดว่าโลกนี้เป็นอิจฉา ของในโลกทั้งหมดแปลนิจจังทั้งหมดแม้แต่อารมณ์ของเราก็แปลนิจจังอานิจจังนีนง้แปลว่าไม่เที่ยงอารมณ์ของเราเองมันก็มีสภาพไม่เที่ยงตอนเช้าอาจจะอารมณ์ดีตอนสายอารมณ์เสียนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันในร่างกายของเราก็แปลนิจจังคือร่างกายมีสภาพไม่สมตัว เราเกิดขึ้นแล้วร่างกาไม่เว้นงที่ความแก่ชื่นฟังทุกมาทุวันเราแก่ทุกวันตามเวลาที่ผ่านไปโฆษณะที่ตรงตัวอยู่ไม่ใช่แคแก่อย่างเดียวความป่วยไข้ไม่สบายเราเกิดจากตัวร่างกายพวป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นในตัวแรงกา ย, ยาความสุกเพราอนนี้จังมันกันไม่เที่ยงเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันก็จะป่วย เราไม่ต้องการให้มันแตกมันจะแตกถ้าความไม่ต้องการเกิดขึ้นในใจถ้าความแก่เกิดขึ้นรู้ตรงว่าแก่ในการป่วยจะเกิดขึ้นโรคอาการทุกขเวทนาเกิดขึ้นเอาเข้ไปทุกเป็นธรรมะโลกนี้นอกจากนานการโน่นจะเป็นนี้จะเป็นทุกขังที่เราไม่รทุกข้องร่างกายมีทุกเวลา ตื่นเช่นเช้าขึ้นมาก็มีแต่ความทุกข์ความหิวความกระหายเป็นทุกข์การปวดประรัสประสาทเป็นทุกการไปสอบติดการงานมีความเหนื่ยยากเป็นทกความป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นทุกความกระตันาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ความตายเข้ามาเสงขเป็นทก เรื่ความมันโลกนี้นอกจากเป็นอนิจจังก็มีทุกขังทุกประจําใจจําได้ใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราต้องการและอะไรเป็นของเราไปเราเป็นของเราจริงจริมันไม่ดีอะไรเพราะทุกอย่างในโลกเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่แปลว่าจะลายตัวร่างกายของคนทุกคนมีความตายเป็ น, นที่สุดสัตวาณิชัยว่าถุท่าแตกต่างก็มีการสลายตัว ทัพย์สมบัติที่เราหามาได้ความเหนื่อยยากเป็นความพุกขลือาที่จะครองมันตลอดการตรวจสมัยแต่ในที่สุดมันกับเราก็ต้องเสียกันจากกันถ้ามันจากเพราะมันสูญหายไปมันจากแควการตายทรัพย์สมบัติที่หามาได้มากมายเทียไใร่ก็ตามถ้ตายแล้วสมบัติก็คิดง่ายๆแต่ยี่งไปง่ายดีไหมง่ายไหม ฉันไม่ง่ายฉันร้ง่ายเดียวนี่เรียกว่าความคิดตามเรียว่าจิตมันต้องการคิดมากนะตองคิดอยู่ในรนัตนอันตรายรสนใหญ่อันนี้มาว่าแันน่ลงเขาสมาธิทีพูดเสียไปเสียมาคนพูดโง้นอน่คนพูดในง้อปากเลยงวอไ้ตามปากเลยยังง้อตามได้ไกล นีเนี่ยปาดกันไปนดจังไม่ทันใช่ไหมแถ้าหากว่านักเจริญกมฐานในแบบนึ่ทําหม่จริงจริงนอกจากจะท่านนาปาโนธวีโคตบคูมใจแล้วก็ให้ที่ทำมัดูความจริงของอาตาตามนิะกรรมรมอะรกทนอกจากนักับขมัดาญาติโยมพุทบริษัทพระธมวรรนิวรณราการ เพระว่าเจตจนงสมถะก็ด e ีทีปัสนาใหญ่ก็ดีเมื่อที่ใจรกสัตวจะมีรูปที่พัฒนาใหญอนาภานสติเ็นสมถภาวนาเจตสมถะก็ดีวิพัสนาก็ดีความจริงแล้วต้องอยู่ร่วมใจมันแยกกันไม่ได้การยังไงม่ราผานได้ดีๆก็คือหนึ่งมีศีลริสุทธิ์ศีลนี้ต้องเป็นพื้นฐานถ้าศีลทรงตัวดีแล้ว สมาธิเกิดสมาธิเด็วความตั้งใจท้่จะดันและตั้งใจมัน่นสมาธิไม่แต่เอาหุ่นเด็กนบวรเมื่อสมาธิปรากฏตัวปัญญาเกิดเขาจิตมีความสุขเราความว่าจิตจะสมาธิจะมีขึ้นมาได้เพราเวลานั้นจิตไม่เป็นท่ายข อ, อนิวรนนิวรมีห้าไปกาน คำว่านิวรนี้ทำแบบเรนนะคํำโซึ่งแปลว่าคุณในยช่กั้งตามดีแต่ว่าในพระไตรปดฎกท่ า, านบอกว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำ บ, บัญญาให้ถอยหลังเห็นไหมบัญญาถอยหลังกรงความว่าถ้ามีวรอยข้อใดข้อหนึ่งเกยดขึ้กับศเวล า, า น, นั้นเราจะเป็นคนไร้ปัญญา การเจริญพระธรรมทา น, น, น, นท่าไรปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะงานทุกอย่างจะเป็นไปได้ในพระธรรมทานต้องมีปัญญาเป็นเครื่องรองตัวก่อนที่จะเข้าเจริญพระธรรมทานก็ต้องมีปัญญาแล้วคนที่ยังสาถินได้ต้องเป็นคนมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่ได้คุณประโยชน์ขอ้อถรงปัญญาอย่างอ่งอ ตอนนี้เมื่อมีสินแรกจะสุสมาที่ได้ก็ต้องมีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็เห็นว่าการสุสมาธิไม่ได้เป็นประโยชน์ให้นั่งหลักผู้หลักตาทันเพีเสียวพร้อมไม่ทันโลกถ้าคนมีสมาธิแล้วจะเจริรนนิพพาน ญ, ญาณทาลายปัญญาก็ไม่เกิดผลคือลองฟางวัตถาสามได้การแท้สินสมาธิปัญญาในเท่าพวกกันไปอันดับแรกมีสิน เม e ye, Ahhh, ane, itu, ane, itu, i, ane, ื่อสินม่ีแล้วจิตใจเฮือกเสีนต่อไปถึงแม้ว่าสินเนี่ยสินจริงๆก็เป็นสมถะตัวนาที่จนเรียกว่าสีลาไมสใชิสมถะสำหลับสีลาไส่ใช่สมะในความจริงไม่ใช่ตัวปรมนาเป็นอาการระมัดระวังของจิตเพราะเปอยู่ในขันนุสติขันนุสติเนี่ยแปลว่าตามไม่ถึง ถ้าแต่แล้วันบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นพวกนักวิาศรในสิงไม่ยอปลุกปล้อนในสิ่งถ้าสามารถจะควบคุมอารมณ์ได้จริงๆในสิงประมาณสักวันละสัปโมงสัปโมงก็ตามในช่วงเวลานั้นเราจะไม่ยอมให้สิ่ลาดจากจิตเราจะไม่ยอมละเมิดสิ่งถ้าจิตทรงตัวได้อย่างนี้พ่าพุทธเจ้าริดว่าท่านคนนั้นทรงตาในศีลาหนุษิตกรรมฐาน คำไหว้ฌานนี่มันจะเหมือนหลับตาอย่างเดียวห <c oughs> ลับตาอย่างดีจับต า, า ไ, ได้ไม่แน่เราจะได้ฌานเนี่ยแล้วไม่เปมหลับไปแล้วมามตัวใจมัชวนกชวนอะไรชวนหลับไปเละไปเลย น, นัง่งหลับตาปับ๊บดีๆเข้าใชา้ตลอดนะนี่ฌานใหญ่ฌานนี่แปลว่าอารมณ์ที่ ตามบาลีรละประชานังเจการเต้เป็นภาพไม่ข เ, ไเข้าใจบางท่านให้ดูพุทธองค์เป็ น, ม, นมิตก็เลยเพ่งจน้หรนตาไหลนั้นดีเมญชอนไม่เข้าตาเลยคนตนทุกข์เมญอน เ, นเลยทุกาหมเ็เลยความจริงการเจริญสมาธิีมีหลายแบบแต่ต้องระมัดระวังใเวลานั้นอย่าให้ห ย, ยีออนให้อย่างอย่างใดหนึ่งเ ข, ข้ขาครอบง อนิวรนี่เราบังคับมันจริงๆก็ไม่ได้ถ้ายังไม่ถึงอนนาคามียเราไม่สามารถทำลายนิวรสองข้อจนได้ถ้ายังไม่ถึงพระราหันเราจะไม่สามารถทำลายสามข้อสังหานได้ข้อต้องเป็นหนึ่งความไม่ฉันทะนิแปลว่ามีความพอใจในรูปสนวยเสียงก็เป็นหอหมรสลอยสัมผัสว่างเถิ ไปทารูปสวยจะเป็นผู้รูปคนรูปสาตวรูปรวตุามเราไม่ติดมันจะพาะเวลาที่เาเดนสมาี่เลิกแล้วไม่เป็นไรแต่ก่อนทำก็ไม่เป็นไรเพาจะเป็นนาคาม่ได้าขาองตีอารมณ์ต้าใจแล้วว่าเป็นนาคามีแล้วก็วมไม่ต้องหังครับพรานเนองถ้ายังไม่เป็นนาคามี ก็ต้องแรงงับเฉพาะเวลาคิดว่าเวลานี้เราจะเรียนสมาธิหรือวาสนาญา่เราจะไม่ยอมให้ ม, หมีวนห่างไกรขึ้นหนึ่งความต้องการในรูปสวยเพียงเพราะสิ่งของบสร่ยสั ม, ม, มพัสจรรยาเทศรวองอารมณ์ไม่พอใจสาองความว่นขีดผู้ชั่นมากเกินไปค้าวต้จงใน่ถุารสฏิบัติ จะไม่ยอมแม่การจะห้ามไกลๆเขามา ย, ยุ่งกับมืออันี้เรื่องใหญ่มาก <c oughs> ถ้าไม่สามารถรับได้ไม่มีผลในใการปฏิบัติถ้าจะถามว่าถ้าจำนิวรณนถ้าไกายไม่ได้อยู่เป็นยังไงความจริงไม่ต้องจําถ้าจําไม่ได้ไม่ต้องจำถ้าจําได้ต้องจอําด้วยจํานั้นไม่จําก็จำได้ ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่จ้องไปนึกผู้มันทิศอย่างเดียวว่าเวลานี้เราต้องการรู้ลมหายใจเข้ารูล้ลมหายใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รับจราบแค่นี้กิจเป็นสมาธิก็ไม่ไนึกถึงอะไรเลยรายการนี้สองถ้าย่าภาวนาด้วยสำนักคำภาวนานี้ไม่จํากั ด, ส, ดสําหรับปรญญาแต่พูดไว้ัทอนคำว่าไม่จํากัดใน เ, เรื่อเบื้องต้นเนียไม่จํากัด เราจะใช้คำวนายอย่างใดอย่หนึ่งก็ได้ตามชอบใจถ้าปปเป็นดัดแปลงเปลี่ยนแปลงมาครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ทามันไม่ต้องตัวก็จะมีใส่รุ่งนี่ว่ า, าการทกายเจริญสัจตรรมาฐานตามปกติเรื่องตเนะถ้าหากว่าจะเจริญกรรมาฐัยเข้าไปทําลายเจริญในคำว่ า, าเจริญมันมีหกคือราชาเจริญรักเสริมดังงาม โภชาจริตมั่งโรแต่ถ้าโม่จริตทับทับธาจริตอารมณ์ซึมถ้าธาจริตมาเกี่งเรานี่นะครัเดวราทาจริตมีรักสวยรักงามโภธาจริตมั่งโรโมอธาจริตสวิตตุธาริตเมรุซึมถ้าธาจริตเมรุเสี้ยงง่ายโมธาจริตมีความฉลาย ตาการทั้งหกอย่างนี้มีในบุคคลทุกค น, คนบางเวลาธรรมดาสวยและงามบางเวลาก็าโง่ตึงแต่งโง่ครามบางเวลาก็รมซึงคิดอะไรไม่ออกบางเวลาก็เชื่อง่ายเปล่นไปได้เหตุผลบางเวลาก็มีความฉลายวฉลาู้มีการข้องตึงทุกอย่างแต่ ว, วิธีปฏิบัติกระฐาน จะเอัมะขงก็ จ, จริงหนึ่งแตให้สังเกตว่าเราจรึงจริมีหนักในจิตอะไรจิตอะไรหนักที่สุดนักสวยรงงามหนักหรือมีความโกรหนักกระทบกระทั่งนิดนิดหน่อยไม่ไโกรธเรีว่าเีรมจึมหนักหรือเชื่องง่ายเกินไปหรืณะมากให้เลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันหนักถ้ายังไหนหนักทำลายอย่างนั้นที้จริงไป ถ้าล้มลายอย่างนั้นทางไปแล้วอย่างอื่ไม่สามารถจะส่งตัวได้ใครรู้ไหมว่าใครมีจนะิตเจริญแรงตองตอบว่ายังไม่เครู้จ้ะตอนเช้ามายิ้มดีดีตอนบ่กยจะด่าใครทแล้วใช่หมไตอนยินึงเป็นไม่ใช่เจรินมันเป็นบะหมีมตใชบมใช่หอตอนบ่ายนี่โทรเจราาิกมา บางทีตอนเช้ารักสวยเรื่องงามตอนบ่ายโดดน้ำพุ่งกระแลงโครนกลวงความว่ า, าจะต้องปการมีกับคนทุกคนบางทีได้พูดว่าคํภาวนาเว็นยังไงก็ได้นี่แต่พอเข้ามาทาลายเจ่ลเอียดจริงๆต้องภ า, ว, านวนาตามองคำภาวนาเนี่ยถือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยจะพอะไมได้อย่างใดเข้าทาลายลาค้าใหญ่ สมุทัยเจ้าให้ใช้กรรมฐานสิบเอ็อย่างหรืออาสุภกรรมฐานส็บอย่างกับกายนามิตรสิอย่างลงไปสิมีชาติเจริญโฉมฐานกองใดกองหนึ่งในนี้มีสิบอ็องต้องภาวนาตามธรรมนาของกองของเขาเจริญเถิดว่าพุทโธทรมูลทังโครไดยเฉยและมาถางอันนี้ไม่ได้แล้วต้องภาวนาตามกอง ไาเข้าทำลายโทสะวันนี้นนนนมีญาติโยมท่านหนงมาถามว่าวิธีทำลายโทสะด้วยรักโทสะให้ง่ายเฉยๆทำง่ายนะผมไม่ง่า ย, ยากไอ้โทสะนี่่ตอนเา ว, วก็ลืมทล่อนโำไม่ได้การทำลายโทสะจริงๆพุกเจ้าให้กรรมฐานแปดอย่า ง, ง, ง, ง, งคือพม่ ห, มห้ทีพมีใ้ทีนี่แต่ลงที คิดว่าเราจะมีความรักคนในสัตว์ในโลกเสมอที่ตัวเราเราจะโน้มนใา้เขาเสมอที่ตัวเราไม่คิดเป็นผู้โดไม่คิดเป็ตัวเราจะไม่มีความอิจฉาในสิ่งที่ใครหรือคนอืคลใดได้ดีคอยดีด้วยเราจะวางเฉยว่าบางคนเสี่ยงอำไม่ําเสร็จถ้าสี่เหล่านี้ไม่เป็นหมดโาษณาเป็นหมดทจนาตคิดจ้องจิตของตัว ถ้าในพมีหาสีเราไม่ชอบใจไม่ถูกใจ่อยใช้ก็ใช้กระสินอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่สีอย่างเราสีสีแดงถ้า่ีสีเหลืองสีเขียวและอสีขาวให้ดูสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะให้เกิเป็นทายถห้เปลี่ยนทรงตัวหรือให้เป็นภายก็สามารถทาลายกําลังของโทชาตรงนี้มา เมื่อจิตเป็นชายทัวโตและเจริญปัญนาสนานประเดี๋ยวเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไม่ยากเลยนะนี่ว่ไงเราจะเป็นเช่นอย่างถ้าเราไม่ตีโกดตีไม่เป็นเห็มไหมอันนี้ว่าอาการกระดิกนะถ้าจะเดินถ้าทาลายโทสะกระดิตก็ต้องใช้สมันลายแต่ลสถิ่นเนี่ยต้องใช้พวกเขา เมื่อเราสิ้นสิ้แรงเรื่ร อ, นนรองเรนาจะตัดสินให้ภาวนาเราจะต้องต่อยตัดนแรงถ้าเราสิ้นาาสิ้นแรงนีิจะกเราสิ้นภาวนาว่าไปจัาการที่แรงไม่ใช่ภาวนาผู้โถ่เห็นไหมนี่คำภาวนาวนี่ญาโยพุทธวันไสเครื่ได้ยินบ่อยๆว่าฉันใช้คำภาวนาว่าอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ทางไปไม่รอด ถ้าอย่งคิดว่าภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้จริงถูกมันถูกทุกอย่างแต่ภาวนานก็ภาวนานไปแค่ลมถูกกทำภาวนานไหมมีการภาวนาที่ว่าเฉยๆใช่ไหมที่ว่าสุดแล้วแต่ขั้นแรกเป็นขั้นแรกสร้างอารมณ์ค่อยๆตรงตัวถ้าแนะนํากันได้านใจจริงๆนะสงสัยเน่ยว่าที่นา่าอิจฉหน้ากุญแจฝันมากกว่าใช่ไหม ฝังไปมันไม่ไหวอะไราราคาจิิบ1อย่างใ้ไปไม่รอบแล้วรอบไหมโภคาจิตว่าเขาแปดอย่างไปไม่ไหวแล้วแต่มอาจิตย้ยตัวจิตออกไปได้อนาฟายอย่างเดียวถ้าสัตธาจิตให้กรรมฐานหกอย่างถ้าเพุพทธาจิตให้กรรมฐานสิบอย่าง ที่แนะนำแบบนี้เป็นผลการปฏิบัติกลางฟางเพื่อมีผู้คนที่มีกำลังใจงยังอ่อนแต่คำว่ากำลังใจทีหมายามถึงอะไรบ้าว่ามีตัวปัญญาย อ, อ, ยอย่างอ่อนให้ใช้อย่างใดอย่างหนึงที่พอใจถ้าเราจะเดินทำลายราฆาจริษ์แล้วก็ภาวนาแบบนี้ พอถึงมาระอีกงนทําทำลายโทใจจิตต้องภาวนาแบบนั้นนะผมไม่พูดต้องว่าอย่างนี้ในเราเองเป็เรื่องมันบ่อยก็มีคนรู้บอกว่ามาแหงท่านสอนกันแบบนี้พอเามาภาวนาของโทก็บอกแค่นี้งบารัชฐานสูงวันนี้ไม่ภาวนาแบบนั้นคือไปหลายรอบอีกแล้ว เรื่องความในกรรฐ า, านกิจจิตท่านจ้างไว้คนจะสร้างเรหันตอนนี้ถาว่าเราจะเดินการนั้นจริงหรือยากการสรเรหันไม่ใช่ของง่ายเป็นยากใจง่ายฉะนั้นคุณตองอยากยาเป็นพรอหันต์ไนึ่งแต่คี่จะเป็นมีบารมีเต็มไมง่ายใช่ไหมแต่จะไหลาทางกับเรื่องเวลาลงไปนิดเดียว ในเวลาที่ถามว่าเราเจอต่างจิตจริงๆนี่พูดเรานี่ไปตรงไรหรอไม่ยากจนลูกคณนณในตอนนั้นเหนื่อยไปต่ามๆกันเลยคนดูด้วยนอนี้นเราปฏิบททัติไม่ง่ายเราเคยที่บอกอมาแล้วในตอนสอนให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายนี้เลยไม่ต้องหาเจอและ้ะเดินทางตรงกันเลยว่าชีวิตนี้มันต้องตายยังไงเราตั้งไรเราตายแน่ แต่จงอย่าคิดว่าเรายังไม่แก่มันจะยังไม่ตายแต่คนที่มีความประมาทอยู่คำประมาททุกทางฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่ตายกอแก่แล้วก็ฉันแก่มากแล้วจะยังไม่อยากตายไม่มีใครอยากตายแต่พระพุทธเจ้าให้ทรงคิดว่าความตายอาจจะอยู่เราในวันนี้เว้เสมอ ไม่คิดว่าความตา ย, ยาถึงเราในวันพรงนี้เขาคิดว่าพูุ่นี้มีงจะตายสมัยมาเสินไปวันนี้เราก็ไม่ทำความดีถ้าเราอตายวันนี้ก็ไปจะรับกันแน่พอตื่นที่ใช่มีความรู้สึกว่าวันนี้มันอาจจะตายแต่ถ้าว่าคิดว่าอาจจะตายก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ถูกเราจะต้องทํางานทุกอย่างตามหน้าที่ทุกส่วน แต่ว่าเรื่องที่มีความสำคัญที่เราจะไปทำนั่นคือการที่เป็นอุปสลบทสิ่งใดที่เป็นอุปสลบททางกายกัดีทางวาจาจตัวดีทางใจตัวดีจะไม่มีสำหรับเราในวันนั้นยังมีอย่างเดียวทางกายก็ทำอุปสมบทายใจกล่าวได้อุปสมบทนั่นคือสิ่งทเป็นอุปสมบคํามว่าอุสมทนี่แปลเป็นหลักคือไม่ทำสิ่งให้เกิดโทษทั้งเราและเขาและปิตใจในความเ หลังจากนังแล้วพระยศคุณพระพุทธเจ้าก็ทำพระอริยสงฆ์เป็นที่ยู่ไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพราะวาทำละขพระอริยสงฆ์ญาคราวาสทรงพินให้ยสุถ้าหากว่ากำลังใจนงแน่วแน่มีเพื้อความเด็ดเดี่ยวของใจขอไม่ต้องใส่บารมีไปสําคคญ ให้ตั้งใจคิดว่าถ้าการตายครั้งนี้เราต้องการอย่างเดียวคือชีวัยผไม่ต้องการเกื่อม น, นุษยธรรมตาหรือผลตอบแต้ อ, องการจุดจบอย่างชีวิตผานถนับสามข้อขั้นต้นคิดว่าชีวิตนี้มาอาจะต้องทายยอมรับนะผีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นความตื่นใจมีศีลห้าวริสุท ท right. ั้งสามอย่างนี้เป็นอารมณ์ของมรรส์ตามไปรับผลิตผลการที่ใช้บรรยายนว่ามนุษย์สัมโลกเป็นพวกเราไม่ต้องกลายเมืนอีกเทวโลกกับภูมิโลกเป็นสุขยิ่งแรงแต่ว่าเป็นสุขเป็นไงเราไม่ได้ขาดเราต้องการเราขาดอันนี้คืออารมณ์้าหลานถ้าบรรดาถ้าพุทธบริษัทปฏิบัติแต่แบบนี้แล้วก็ไม่ต้องอาศัยเยอย คอไม่เดินอ้อมพุ่งตรงจุดตรงแต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยบารามีเป็นสำคัญคําว่าบารามาีคิดปนอย่าง น, นบารามีมก็จเจาแปลว่า ก, กาลังใจเต็มก็มีไหลรายปฏิวัติเขามาอย่างไร ย, ย่มไม่ชมบารามีจนต่อบอกไปดูตาเข้าขใจมันแถวไหนก็ไม่รู <c> ้ <oughs> อ้แสงดียวไม่เห็นบารามีมโนแถวไห คำว่าบารมีตามบ า, าลีก็แปลว่าเต็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากำลังใจเต็มมันเป็นเป็นขั้เป็นตอนไปกําลังใจของเราอันดับแรกบางคับให้มันเต็มขั้นต้นให้มีทางกําลังใจใจเต็มมีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันจะตองตายอั น, น้ใหญ่บางคับให้มันเต็มจริงจิงอย่าเบลอ คือว่ามันอาจจะตายวันนี้ไม่เสมอจะได้ทำเด็ดความดีสองกําลังใจเต็มเคื่องเต็มด้วยความยอมนับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์วยความตื่นใจไม่สงสัยถ้าไม่เพียงอยองู่อย่างหลงสามเต็มในการกําลังใจเต็มพร้อมในการท่องหินอ้ายบริบูตสําหรับเรือวัดถ้าทั้งสามอย่างนี้เต็มจริงจิ ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันจะตายยอมรับนักศีลของพระพุทธเจ้ากธรทำเทอรียนสองเป็นสิ่งห้ามไม่พ้นถ้าอย่างยากพระพุทธเจ้าถือเลียวว่าปรนโซนดาปันโซนดาวันนี้มีสามขั้นอย่างยากอย่างตายอย่างไรก็ตามให้เป็นโซนดาวันได้ บาปเอาผู้สนตการหรือบรรดาญาโยงก็จะเป็นผัดมาแล้วทำมาแล้วพอตามอตามใ่อนพอตามอีกอยัางสมนางสมนีไม่หมดแล้วทำช้านั่นนกามชั่งหมดนี้ไม่มีโอกาสให้ผลนปไปใยผูใช่เศรษฐีสมนารถเนรปฐีเศรษฐีรกาเปสวีรันน์เลก็จะแตกขาินี้ไปก่อนไป มีทางเดียวเกิดบนสวรรค์นะผงถ้ายังปฏิภามันได้จะลงมาเกิดแค่วันรถจวิ่งไปธรรมดาแล้วผมไม่ที่สุดก็ไปปฏิาณได้อาเ็อย่างง่ายๆเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องใช้ารอษาไว้แต่่าเดียวจะลในเมื่อไม่ต้องใช้ยากษาสามารถดำรงจิตที่อยู่ในข่้ยของปะสบการณ์ได้ต็องได้เดีย พอจงลงอารมณ์โสสาบันได้ประโคมตีข้าร่างเลยจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรที่พิการทายังนะครับใช้ปัญญาตรงนี้เป็นโสรปัญญาว่ากายเกิดเสิมลุสมันมีความสุขหรือความทุกข์เมื่อแท้จริงของวัฏาักนี้มันมีแต่วความทุกข์โลกนี้แต่นิจังหาอะไรเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งมันจึงมีความทุกข์อ น, นัตตาจึงมิหาว่าได้แล้วก็ต้องสลายตัวหมดไป ที่ถ้ามันไม่ปวดไปเราสัหมดเราก็ตายจากมันไปไม่เป็นเนื่องเดยกินชาติจะเป็นสภาพแบบนี้เราไม่ต้องการห น, นึินในโลกสัพพมโลกมีความสุขจริงไดีอยู่เป็นยะู่ไม่ไานหมดพูณไม่สนบารมีก็ต้องมาเราต้องการนิพพานจุดเดียวนี้แก่ลมรหันสาบันดาแต่พบบุทโธิาสตรกทัานต่ออารมณ์จากติสอาก วันารุสิตอาทิตย์ภพนารุสิตธรรมานุสิตแสงคาลุสิตเยน า, นารุสิตต่อจดลมนั้นได้ต่อได้ลมอย่างนี้เส ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, ม, มอๆทุกวันตอนหลับคิดไว้ว่าตายเ ม, มื่อไรต้องไปนิพพานวันนั้นตื่นขึ้นมาใหม่ที่ว่าถ้าตายเ ม, มื่อไร่ก็งไปนิพพานสุดเดียวถ้าเป็นอ ย, ย่างนี้พอจะตายวันนั้นเป็นะครวันนั้นจะไปนิพพานวันนั้น ว่าไปนี้ผ่านแล้วก็เลิกกันถ้าเลิกนี้ผานเลยจะไปที่จเดวทัศนตอนนี้ไปกรเวาแต่พ้นบริษัทสั้งใจสมาทานเนธรรมทานตอนี้เวลาเวลามันหมดแล้วตัวเองจะมีหลายตั้งใจปฏิบัติตามมัเยาใช้าญาจนึหลายที่เคยปฏิบัติมาก่อน เมื่กีดนี้พูหลายเรื่องหลยราอาจจะจำนความไม่ได้ว่าขอปฏิบัติตามนี้ทุกค น, น, นกที่จะภาวนาขอตัดสินใจคิดว่าความตายอาจจะมีสำร็จเ ม, มื่อไรก็ได้ถ้าความตายจะเข้ามาถึงเมื่อไรก็ตามทีเราจะไม่ยอมลองอาาภอัภูรรมิแต่ขอยึดพระพุทธเจ้าและทำศาอาญาสงฆ์เป็นเค่งคินใจ แต่ตงใจคิดว่าเราจะทรงสินไห้บริสุิ์ถ้าตายเมื่อไรเพราะปฏิภายสุดเดียวทำใจแน่แน่แบบนี้หลังจากนันก็ภาว น, นาถ้าไม่รู้จะภาว น, นาเป็อยังไใรรนนใใงใช้ธรรมนราว่าพุภูมิก็สะดวกจะมีเครื่งมบัากมากให้ใจเข้าในว่ตถุใจออกในวัตถุเอาเคร่องมือนีนะ้ตอนนี้ไปก็วันใดจะมทธเรสั์หลายเรื่องปฏิบัติได้จะให้เวลาสูงอุดสิที สัวันนี้ก็ขอแนะนาบรรดาท่านผู้บริษัทตามจดิคํา่าตามจดิความจริงก็เมานานแล้วไม่ได้พูดไอ้จี้ได้นอนประดมพนมก็ได้ยินเสียงบกว่าแนะนำตามจดิคาว่าจดิก็คืออาการเที่ยวไปคนผิสิที่ชอบคิด บรรดาเช่นพุทบริษัทส่วนใหญ่ที่มาเจริญกรรมฐานก็ดีที่มาบารมีกุศลก็ดีส่วนใหญ่นี้มีสภาเจริญกับพุทธเจริญหกันโตซาติหรือเปออกึมีหเราแสดงดู เขาในสติทั้งหกตัมีด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าพวกเราทั้งหมดได้มาหนักในสัทธาจริตและพุทธจริตสมบันนี้จะบอกแนะ น, นําดังสัทธาจริตกับพุทธจริตบวกกันแต่เมืวทีบวกของท่านจะบวกแบบไหนเสียวพราว่ากัไปพูดไปทุมานมาทั้งอำว่าไปทั้ดหมดไปเพราะการแนะนํากันไม่ใช่สมอง ให้หูฟังปากพูดคำว่าศรัทธาเด็ิเยแต่ต้องการความเชื่อที่มีความเชื่ อ, อยอมากและส่วนใหญ่ของบรรดาจักรวรรดิไทยก็เชื่อในด้านมงคลตนเชื่อในด้านการตายแล้วเสร็จทาความดีไปสู่สุขติทางิทางฟังทั่ว ส, สุขสิทธิ และถ้ายอมเชื่อว่าพิพันธ์มีจริงถ้าไม่ยอมเชื่อว่าพุทธิพาน์นมีจริงในตอนต้นแล้วบอกว่าคนของเราน่าไป็นพุทธาจิตแต่ว่าการปฏิบัติมโนมีที่จะเป็นว่าทุกคนที่ทําได้ทุกคนไปถึงนิพพานหมดการที่จะไปถึงนิพพานได้นี่ต้องเป็นพุท ธ, ธาจิตถ้าพุท ธ, ธาจิตอ่อนไม่สามารถถึงนิพพานได้ แล้วว่าจะวัดในบารมีกันจริงๆก็ต้องถือว่ามีบารมีในไข่ของปารมาธาบารมีวันนี้ตอนเย็นก็เห็นได้เลยใช่ไหมบางท่านที่ต่างถิ่นมาเห็นอาจารยยาวไปยาวมายาวมายาวไปใช่ไหมนี่สำหรับพวกที่มีบารมีเป็นปรมบารมีงานทุกอย่างเของตัว ไม่ต้องแนะนํากันมากไม่ต้องเรียกกันไปนั้นทำความดีสําหรับท่านที่มีศรัทธาอย่าดีเป็นพื้นฐานเราพูดเจ้าให้เลือกกรรมฐ า, านหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติในกรรมฐานหกอย่างในทุกปีนหนึ่งพุทธ า, านุปกติเมื่อถึงนั้นเราพบ้ิ่งหน้าเป็นอารมณ์สองธรรมานุปกติ ภรพสัตว์ธรรมเป็นอารมณ์3ามสังขารสติภรพพระอารียสองเป็นอารมณ์4ีศีลานิสติภรพสิงเป็นอารมณ์5จากาคานิสตินึกขึ้ภายการบริจาคเป็นอารมณ์6กเทวดาทุสตินึกถึงเทวดาสุกงศ์เป็นถึงเทวดาเป็นอารมณ์ ทั้งหรายการนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคณะของเราหนักในสัจธรรมิตส่วนนี้ในความจริงคนที่มีษษรัจธารมญาจิตเป็นพื้นฐาน <c oughs> และก็บวกพุทธจาจิต <c oughs> ก็เป็นคนที่เด็ดเดี่ยวคือได้เสียในการหวังความสุขทางภายหน้าได้ดีมาก อย่างที่แนะนำได้บอกว่าให้นับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมนับถือพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือปฏิบัติตามสิ่งที่เราปฏิบัติพอใจในฌานทางรู้สึกขอการบริจาคใยที่ยอมรับนับถือความดีของเจ้าชายถ้าทุกคนปฏิบัติแต่ความดีพระเจ้าให้เลือกเราแต่พวกเราหน้าโคจะไม่ต้องเลือก ห 1> 1. นธธึ่งกาเคารพพระพุทธเจ้าของพวกเรามีจริงสไงกายเคารพธรรมมีจงถ้าไม่เคารพธรรมมีจียงนั่งจะไม่ได้แบบนี้นั่งนานๆไม่ได้สาเคารพพระอริยสงฆ์มีจริงสเคารพศีลจริงมั่งไม่จริงมั่งนีไ่ไงเื่ออริยนี่งไงเรื่อใครว่าไร มันมีไม่ว่ามันมีใครในรคอยอย่งสูงแล้วก็สีก็รบสิงสิงห้าชาคานุกติไม่คือพอใจในชายการบริการกิงข้อนี้เครับเพราะบรรดาท่านผู้บริสารทุกคนที่มาถวายลงมานั่งไม่ต้องเรียกขอปฐมบุตรดันเชอะอจะสร้างนั่นจะทำนี้จะไม่ต้องพูดเลย บางคนต่างก็ทํากันเพื่อการจราจรไม่งั้นคนกันมาไม่ถึงคนออกกับคนเข้าชนกันพับนั่งคอยแหนมาไม่ถึและก็หกเทวดาลูสศิษย์เราก็มีความรบคํบาว่าเทวดาเนี่ยท่านหมายถึงเทวดาบนกา마ว า, าจัสวรรค์ด้วยหมายถึงผมด้วยหมายถึงพระที่นิพพานไปแล้วด้วย พระที่นิพพานไปแล้วจะเรียกวิสุพิชฌาเป็นจุบนาผูสทรงผูนความบริสุทธิ์ไม่สื่อความในในพุทธเจา้าทื่รวมความว่าคนที่มีศ ร, ร, รัทธาจริตพุทธเจ้าจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าสมบัดาพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องเลือกทำไมจิ่งไม่ต้องเลือกพราะัมอยู่แล้วก็เหตย่ง การพร้อมแล้วอบยางเนี่ยเราจะเพาะอย่างยี่งถ้ามีสินไม่คงเราจะเพาะอย่างยิ่งจริงๆก็สินห้าถ้ามีความไม่คงในสินที่จริงทุกคนก็เป็นรโสุดาได้อสีทาธารมนไม่อยากเหรืออยากไห้ยังไงลองก็ลงความว่าพวกที่จะมีศรัทธาจะไดที่ได้เปรีโยน แล้วพวกเราก็พร้อมแล้วในในใ น, ในกรนรมฐานอย่างก็งเป็นว่าบำว่าดาจะพุทธบริษัทพยายามพยายามไ่ชนในใช้ปัญญาคือพุทธเจรียที่ไมใช้ปัญญาพุทธาจรีย์เป็นโัปัญญาในเมื่อสมัการเจริอนุสติทั้งหกอย่างครบถ้วนพวกเราครบแน่ ทิ ok ่นที่พบก็ต้องมัดย่างละมัดระวองอย่างเดียวคือสิน้าจะมีการหมกต้องอยู่บ้างถ้าพยายามสรงสินให้บริสุทธิ์จริงๆเฉพาะสินห้าความเป็นประสวดาบันสรงได้แน่นอนนี่ได้กำไรมากไม่ต้องไปนั่งย่ำหมัุ่าเจ้าดีแบบไหนทำไมมีครูร้อยตัดสินเราไม่จาเป็น พถ้าทำดีแบบไหนถ้าอริยสงดีแบบไหนพู้เรานี้มีความจำเป็นว่าพร้อมแล้ว <c oughs> จะทาหนุสติก็พร้อมแล้วไม่ว่าทาหนุสติท่านที่ได้มโนยิธิก็พร้อมบริบูรณ์ส่วนหนักท่านที่ไม่ได้มโนยิธิก็มีความเชื่ออยู่แล้วใช้ได้สําคัญท่านบอกว่าเน้นสําคัญอยู่แค่สิ่งโตเดียว สะับการนักษาสินสินท่ายาวริสุส์บริบูรณ์จริงๆก็ต้องมีตรงมีหางสิ่โยเฉพาะอย่างยิ่งตรวมีหางสี่แค่สองขอ้อข้อต้นข้อทีสองนี่เป็นน้องเป็กน้องทิดทีท่โนึริการใครจาหนังดีพายิ่งอะไรไหมเรื่อว่า สิเนถ้ามีเมตตาความรักกัตตุณนาความสงสารสำเร็จการในศินหา้าเป็นการควบขวนฉะนั้นของกษัตรได้ผู้บริสัทธ์ถ้าตื่นเช้าก็าทาจิตคิดไปเสมอว่าวันนี้เราจะไม่เป็นฝรูงกับใคร เราจะมีความรักในคนะบุคคลนสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอในตัวเราเราจะเป็นมิจฉาเดีของคนสัตว์ทั่วไปข้อที่สองปรนนาวามสงสารเราจะแสดงความเป็นมิตรจะมีความหวังดีกับคนอื่นที่มีความตกทุกข์ดยอยากเราจะมีความเมตตากราณนนีปรนนารงเคาะตามกาลังที่เราจะดุกเคาะได้ ถ้าจิตใจทรงคุณธรรมน้อมรับการนี้ได้สิ่งของทุกท่านไม่ผิดร่องจึงขอบันดาลท่านพุทธไวสัตว์ทุกคนให้ทราบว่าทุกท่านที่มา น, นั่งที่นี่เป็นคนได้เกรียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยจเจ้าเฟืองคนทุกประศรี ด, ดาปันควรจะมีความหวังในแน่นอน ตัวว่าพระโสดาบันไม่มีอะไรเลยมีสรพพุทธเจ้าสรพุทธธรรมสรพระอริยสงฆ์มีสินอาบมีสุขพระโสดาบันนีเท่านี้สาหรับของพวกเราก็มีจ า, ารยานุสติเป็นตัวทํำลายโลภะ ค, ควา ม, มโลภเป็นตัวอันนี้เป็นปัจจัยวิ่ผันงันะนจมีมีเทวตานุปสติเทวตานุปสตินี่ทั้งพัญมาก เือว่าการนึกถึงเทวดาเป็นอารมณ์ไม่ใช่นึกถึงเทวดาอย่างรดียวแล้วพระเจ้าให้ทรงใช้ปัญญาว่าบุคคลที่ากเป็นเทวดาได้เนี่ยต้องเป็นจํนแบบไหนนี้องเป็นยงพี่โดใช่เลยอันนี้ต้เป็นเทวดาได้เวลามีฉากออกมาจากฉใช่ล่ะ เจนาใส่หน่อยแป้งฝ่ายนวลนิดแฝ่ายมือหน่อยอุ้มตุุ้้นะเจอเทวดาที่จะเป็นจริงแทวะเนี่ก็แปลว่าผู้บรรเจิจไม่เลยนะเทวดาเนี่ยทนแปลว่าเป็นผู้บรรเคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจําใจคือหนึ่งอิริใจต่อความชั่ว ้วโอดสัปปะเกรตัวผลความทั่วได้ผลแต่ทุกข์ถได้การนึกึงเทวตาโดยเพราะอย่างนิ่งท่านที่ได้มโนยิทิก็มม่จะจิตไปจดจอกับาม่สีบ้างสัญญาบ้างอย่าลืมว่าเราสองท่านนี่เป็นสามอเรียเจ้าแม่สีนี่ท่านหนูนผ่านแล้วนะปัญญาต่อไปรนอรรัตน์อรธรรม ให้รู้ผลแล้วทั้งสองท่านนี้ต้องถือว่าเป็นฤิษุทิ่เทพเป็นโยดาจนสูงสลดในเมื่อเรานึกถึงท่านแล้วก็จะนึกถึงท่านตัวท่านอย่างเดียวนึกถึงความดีของท่านว่าท่านเดินสองก่อนจะตายด้วยความเป็นคนเป็นโวดาทังว่าอะไรเป็นเหตุท่านดาวสอง 3, ก็ต้องมีหนึ่งอิาริความละอายต่อความทักข สองโอสปักเป็นตัวผลความตั้งใจผลมันได้ความถ้าไอถามว่าด้งนสองท่านเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าทั้งหมดท่านหนึ่งไปปนิทานแล้วอีก ท, ท่านหนึ่งถ้าไม่หวงลูกหรือหวงหลานก็ปฏิทันแล้เมือกันที่กัดตัวไว้ก็จะถึงารว่าเรารับลูกรับหลานสําหรับลูกหลานเท่า น, นั้นเอง แล้วก็ไปนั่งลูกตีเถื่อนบางคนอาจจะวาดาพว่าท่านสร้างความดีไว้มากบาปเขาพูดสนท่านไม่สร้างเลยอันนี้คือังสองท่านที่เป็นนี่เป็นนักรบทุกขชาติไอ้นักรบนีขข่เขาไม่ถือจะขนมไปเลยังไงจะรบขายมึงมาตีคนท่านมึงกินขนมนี่หมดกันนะมันไม่ใครอย่างนั้นสมัยก่อนต้องไปดา่าเสี อ, อกกัน ต้องลบราฆ่าไฟกันทุกชาติในเพราะเยีงเง่ยงยิ่งทัญยาเนี่ยเป็นจอมทัพเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถมากในการลบก็ต้องฆ่าคนแต่เมื่อการรบเสร็จไปแล้วหรือก่อนรบก่อนลบทีบ่เป็นนักบุญซึ่งยานซึกก่งทางก็ต้องเป็นนักรบเมื่อรบก็ต้ก็เป็นนักบุญ ไปเมื่อปาามาติดอย่างนี้ไปสวรรค์ไป น, ไนิพพานกัได้ยังไงทั้งสองท่านเนี่ยไปติดที่ดาวดินได้คู่และก็ควาเป็นบารมีต่อท่านหนึ่งก็ไปนิพพานไปแล้วอีกท่านหนึ่งก็เตรียมการนิพพานเนี่ยดูเรื่องการป่าพระโพธิสัตว์ที่ท่านทำยนักป่าพ <c oughs> วกเราในสมัยปัจจุบันมาก แต่จะเป็นแนนักโูราณที่ไนนี่สมัยก่อนอาจจะบาปกว่าน้ก็ได้นะบาปมากก้ก็ได้ใช่ไหมเป็นดีไม่ดีก็เป็นบาปหางแถวบาปกระบาปรองแถวเนียเนี่ยงนี้มันนั่งบนหลอดเนี่ยนี่เป็นเธยก็เป็นแถวเนี่ยบางคนก็เป็นผู้ชายมาแต่งเยอะแยะโตมาเป็นผู้หญิงตะโดงประเด็นตดงประเด็เป็นผูยยิงไม่เต็มร้อยหมดเป็นเป็นแถวแถวเนี่ย ไม่รู้รักมาเป็นผู้หญิงนได้ยังไงให้บางคนเป็นหญิงมาเรกเสพมาเป็นผู้ชายต้มเทียนต้มเทียนไม่รอดไอ้นี่มีเยอะที่นั่งอยู่นี้นะทั้งปมดในสมัยนั้นก็เป็นไดรบทั้งผู้ชายผู้หญิงจําเป็นจะต้องรบโดยการที่อันดับแรกต้องเปนว่อนที่ท่านตายท่านไปสวรรค์ได้ยังไง ตอ น, นี้ก็ต้งรรองจำคําสอนขององคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าก่อนที่จะตายสุดแรกจะกําลังใจคนที่ทําบุญดีำทำความทำความดีไว้มากที่เได้ความบุญบุญศรแต่ว่าพอจาตายกิจคือทางบุญเป็สิ่งที่เป็นความชั่วนิดเดียวก็ลงมาปลาภูมิเปก่อนเปนรกเป็นก่อนคนที่ทําบาปไว้มาก แต่ว่าก่อนจะตายนิสึตบบุญกุศลนิดเดียวต้องไปสบายก่อนอันนี้มีเยอะทั้งสองท่านนี้ก็เข้าใจต้องไม่เข้าใจเสียต่างความจริงว่าก่อนจะตายกิจชัクク้นนิสิตบุญกุศลก่อนแล้วก็ตายฉะนั้นคือไปสู่สวรรค์เช่นดาวกรเดื่องได้ เมื่อการไปส leisure, ู่สวรรค์เช่นดิมก็ยังได้ธรรมะสาวกเน e lar, ishing, ี TT, sinner, ่ยมีกาลังจะต่อรมีบนสวรรค์ได้บนบนโลกได้ดัการที่ท่านเป็นยวดาก็มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าไดพบพระอรหันต์มอฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ดีฟังเทศจากพระอรหันต์ก็ดียวดาจับผมมีแต่ความสุขว่าไม่มีกังวลจิตก็แต่ิเลสเอง ยังแค่ฟังเทศ่ยจบเทียวก็เป็นมาโซดาบันแมอเป็นมาโซดาบันในการมาเปินในบารมีต่อเป็นของไม่ยากเนั้นงจากสองท่านเวลานี้จึงเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเมื่าพระจะผลปฏิพันธ์ไปแล้วหนึ่งกาลังไปอลจรมัดกำลังพร้อมที่ปฏิพันธ์หนึเนื่องเทวตานุสสิกตวดาท่านผู้ทงบริสัทธ ก็ต้องมองความดีของท่านความจําเป็นที่ต้องสร้างบาปนสรุปผลไม่คือการรบพักจับติดมันมีอยู่ถ้าไม่ลบกับเขาเราก็แย่ถ้าจําเป็นจะต้องรบแต่ก่อนจะรบก็ทําบุญบนสรุศผลรบแล้วก็สร้างบุญสร้างกุผลแต่เฉพาะอย่าง ย, างยางงิ่งองค์สมเด็จพระตุสกุลคือพระพุทธเจา้า โ้อแนะนำได้บอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วคือบากอโศกที่ทำไาแล้วทั้งหมดเราจะไปจะไปนึกถึงมันที่ทำไปแล้วก็ถือให้ผ่านกันไปจิตใจของเรานึกอย่างเดียวคือได้ความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนมีศรัทธาจจดีเพราะพบพ้นบริบูรณ์แล้วก็จิตจับความดีว่าเวลานี้เรายอมรับรับถือพระพุทธเจ้าในความเต็ใจ ยอมปฏิบัติตามธรรมคำสังสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในความตั้งใง จ, ะ จ, ะอใจยอมรับนับถืพระอริยสงฆ์ในศรัทธาแพ้นั้จะจะนใความตังใจเราจะปรับปรุ ง, งสิ่งที่เราไม่มมปกรองเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสุขานาคาโนสติกคือการไม่จะให้ทายการบัญญอันนี้ไม่ต้องด้หนำกันแล้ว ว่าทุกคนทุกข้นบริบวรณ์หมดกาลังเต็มมากและการสภาวะเทวตานุสิไม่เป็นอารมณ์คือนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่็เป็นเทวตานุสิตแต่ใสัตว์ถือว่าเป็นพุทธานุสิตแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเป็นวิสิติเองเป็นเทวตานุสงไม้เส่งความบรรจุไม่มยที่เลยและการนึกถึงพระอรหันต์อย่างแท้แม่ไ็นต้นแนะคนอ ko ื <the> <the ่นเหมือ อรหันตที่ตายไปแล้วที่ยังไม่ตายอันนี้ที่ยังไม่ที่ตายไปแล้วก็จัดเป็นวิสุทธิเศษกันเป็นเทวดาผู้ทรงความเป็นสุดจดการใด้เทวดาหรือสิ่งเป็นกายควบบรรุสิ่งนฐานตายรวบวมความกำลังใจของอันดาต่้งพุทบริษัทได้เกลียดและก็เด่นสดเงแล้วให้ปร iden, Bref, ับปรุงใจเรื่องสิ ทีนี้อาจจะมีการบกคล้องได้ฟังเป็นขอธรรมดาถ้ายังมีการบกคล้องอยู่ก็ึดถือว่าเป็นตัวสูดาฟันไม่ยาก้กาบรบกคล้องไม่หนักไม่ถึงอนามัยเรียกรกำถ้าจิตใจนังซึมซึ้นได้ความดีว่า ม, มากๆตายแล้เป็นจิวดาได้แน่แต่ความจริงไม่น่าจะเป็นจิวดาที่ตามมาวาโฉนดมาตั้งไว้ แม้จะไปห น, น้าจะเป็โชยจะส่งตามไปควรจะไปวิสุทธิสิ่งก็ไรเพราะทุกคนรู้จักคนะนิพพานท่านที่ไม่ได้รพระโนธิสีตว์พร้อมในการ ย, ยอมรับแัะสิ้นพรนิพพานท่านที่ได้พรโนวิสัตว์แล้วต่างคนต่างเขาไปสิ้นพานได้แล้วก็เห็นแล้วว่าที่หมายพวกเราอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนใครอยู่ที่ไหน วันนี้ก็มีท่านหนึ่งมารายงานบว่าพอขึ้นไปถึงนิพพานแล้วบรรยาจะนอนความจริงถ้ามันเป็นแดงพวกเรานั่งได้นอนได้ต่างสบายมันมีความสุขถือว่านี่วิามานขคงเราเราจะนอนที่นี่ใครว่าอย่างไรไม่ใครว่าเราคนเดียวถ้าเราไม่ว่าตัวเองก็ไม่มีใครว่าแต่คนที่มารายงานวันนี้ลับว่าตัวเองวาทำไมถึงนอน ถ้าตอนสองว่ามันอยากนอนแล้วมันนอนไปถ้าไปที่นั่นนั่งได้นอนได้ส บ, สบายๆไม่ต้องถือไม่ต้องถือว่าสํ า, สววาสคัญไม่สาคัญอยากนอยก่อนนอนอยากนั่งก่อนนั่งไอ้ถิวว่าดินแดนนี้สถานที่นี้เป็นที่อยู่ของเราจะมีความสุขมากในที่นี้ปิดไม่ก็จะรักบริสันต์เป็นอารมณ์อย่างนี้ถึงแม้ว่า็ะมีการบกบช่องอยู่บ้างละเรื่องข้อสิง ไม่ได้บุกต anyway, uh ้องหนักเอาแค่บุกต้องเบาๆในตอนนี้ไม่สามารถจะเป็นชาวอารีย์ชาวได้แต่ก็ควรจะเพิ่มอนุสติอีกอย่างหนคืออุปสมานุสติกรมฐานนึกถึงปณิพันธ์เป็นอารมณ์อันนี้พวกเราก็มีอยู่แล้วทุกการทุกพลนึกถึงปณิพาน์เป็นอารมณ์ทุกต้องทุกคนอยากจะไปนิพานธ์ไอตัวอยากจะไปนิพานเธย ถ้าเสวันและถึงไม่านเป็นอารณ์้งเรียกว่าอุปสมานุปสติสมรมทานตัวนี้เป็นปัจจัยหนาทดลองความว่าอนุสติองค์การในด้านสัตยจริตเรามีมากกว่านั้นมีเจ็ดสิอุปสมานุปติด้วยทดลองความวจะเฉพาะอย่างยี่งสัตยจริตเป็นปัจโสดาวันได้ง่ายตอนนี้ท่านบอกว่าให้บวกกับพุทธจริต พุทธเจริญที่มีอะไรหนึ่งมรณาลึมสติกรรมฐานและกกายกิริยาลุมสติกรรมฐานอาหาเลกะริควรสัญญาเป็นต้นแต่เกินเอามากเป็จำไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกายกิริตานุสสติอีกอันหนึ่งที่จำท่ากรรมฐานสี่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกายกิรตยานุมสติกรรมฐานกองนี้มีความสำคัญมาก คนที่จะเป็นบ้านนาคามนีก็ดีจะเป็นวันหลังก็ดีถ้าไข่การแคตามในร่างกายแค่ารตติดึะไม่เข้าอันนี้เป็นไม่ได้อาคิตาตาตุนติค่ะขอทุกคนคิดตางความเป็นชีริงว่าร่างกายของคนทุกคนใครก็ตามเลยเพาะอยญ่ยิ่งในตัวเราเองทุกส่วนมันไม่มีสภาพดีไม่มีอะไรเป็นท่อนแต่ตอนไม่ใชท่อนเดียว จริงๆถ้ง แ, แต่งตัวการสามสิบเก้มีผมขนเล็กฟันต่างๆเป็นต้นเมื่อ น, นึกถึงกายยุทธาตาลุกติแล้วต้องบวกอสุมณ์ปัจจุบนทเข้าไปด้วยแต่ใช่แต่กายยุทาตาลุกิอย่างเียวจะมีผลน้อยต้องพิจารณาว่าผมตัง้งแปลายผมเรื่องบริสุทธิ์ตัง้งแตลายผมถึงฝ่าเท้าเป็นต่ำสุดเรื่องต่ำสุดตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมเรื่องบรสุท ทุกส่วนนี้ไม่มีอะไรแทรกเต็มเลยความตัวปลวกสองกล้องตัวนี้ที่มีผมบนผมสวยๆแต่ปล่อยไปเ็วันึลยเดินเพื่อทางไหนหมาจามปั๊บๆไอคนจามไอ้หมาจามขนาดหมาจามนี่เด่นแล้วใช่ไหมเพราะอะไรก็ไอ้ที่เนื่อยที่ใครที่จะแทนมันทำไม่เหมือนสามเหมือนสา ไอ้นั่นต้องเชื่อว่ามันเป็นต้นนิ้วพันดุ์ต่างๆเนื้อหนังจะเป็นต้นหนังเนี่ยคนเราสวยจริงๆที่หนังจำาราน่เสี่ยมันบางไม่ถึงขึ้นแขนขึ้นึือถ้าหนังหลอกไปได้อะไรก็หมดค้าดูไม่ได้เจ้าหนังที่ว่าสวยเนี่ยเราไม่อาบน้ำตักสางมันสิเดินเมี่ยนไปนั่งกลางวงรับโลนั่งสบาย ไม่มีใครเขานั่งไกลร้อังเอาเย่างนั้นนะมาที่นี่มันเดีอ ก, กกันมากคุณไม่อาบ น, าน้ําม่เปลนวั น, <c oughs> น, นหรือไมด้ตรงรับราไม่มีใครเขาไปลี่ยนแค่รามาอาจจะมีใครคนใดก็หนึ่งเป็นมากกว่าไม่อาม น, น, น้ก <c> ว <oughs> เราจะทนยัไม่ไหวน ะ, นะนก็โดความวิจารณ์มาได้ใจทุกคนมาเต็มใีความสุขสง นอกจากนม้นก็เป็นอนิจจังสารความเที่ยงไม่ได้นี่คือพิษวัตถนาญาณมันไม่เที่ยงเกิดมนนล้นไม่มีการตรงตรงมาพุทธส่ง ท, งทวันทุกครั้งร่างกายเป็นบริ้ความทุกข์ที่เราทุกขทั้งหมดตอสายร่างกายเป็นสำคัญความหิวมาจากร่างกายความป่วยไข้เรสบอยมาจากร่างกาย เดอร้อนในกายเงินมาจากร่างกายน้ำมันไหลมาจากร่างกายร่างกายแห้งไม่มีน้ํามันเลยตัวลมความว่างความแก่ก็มาจากร่างกายบริการพัฒนาเสจตของรักของชอบใจก็มาจากร่างกายเรามีทุกเวทนาหนักที่จะตายต้องเพาะมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายกายยันไม่มี นน ต, ต่อไป น, น, น, ป น, กกนี้ก็ต้องเข้าสยญญข้่อที่หนเป็นตัวตัดกิเลสซึ่งสต่กายยติจิตก็ต้องพิจารนาตามความเป็นจริว่าร่างกายในความจริงมันไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเนื้อปลาสาร น, นะร่างกายแค่เป็นเราจริงเป็นเขาเราจริง เราไม่ต้องการให้ร่างกายสุบูรณมันจะสมบูรไม่ได้เราต้องไปสุบกรเราไม่ต้องการให้ร่างกายเป็นแก่มันก็จะแก่ไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันปูดมันผลไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันตายมัก็ตายไม่ได้ถ้ามันถึงพวกเราจริงแล้วต้องมาคับได้แต่ถ้าว่าร่างกายที่เราไม่สามารถจะังค so ับได้เลยจากความเป็นเด็กที่ต้องการความเป็นดนุ่มหนุ่มสา่ได้ไห พอเ ป, อมเปอ็มเป็นสาวแล้วไม่อยากแก่น่างกายก็มายอมก็มีความหมายตั้งใจต่างความเป็นจริงว่าร่างกายที่ไม่เใช่เวาไม่จุดขอเราเป็นเพียงแค่เรืองร่างเพื่อใส่เข้าิตใจทุกราวเท่านั้นเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งเต็ไมไปด้ความสับสบสองโลกเราไม่ต้องการมันอีกถ้าร่างกายนี่สลายตัวไรเ่าเพื่อจิตสมาล่ะกาย เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานนี่อรมณราะไิน่ขออรุญาตท่านพุทธบริษัททุกท่านในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงพรยากรเราทุกพวกท่านเนนหนักในศรัทธาจริตและาการวกพุทธจริตคือมีความตลาดในฐานะเนื้อมาองสมเด็จรมอรุณมุขพนาทรงจัดมาอย่นี้แสดงว่าชมค ก็ควรจะตั้ษาความรีข้อตนให้ตรงตัวนย่าลืมนะหนึ่งพุทธานุสติยอมรับนับถือพระบุตรเจ้าด้วยสัญญาอันนี้ไม่ต้องตืกันแล้วทุกคนยอมสองธรรมามุสติยอมรับนับถือพระพุตระจ้าทำโดยสัญญาและปฏิบัติตามอันนี้ตกลงแล้วสสังฆามุสติ ยอมรักรับสือพระอริยงสงฆ์ด้วยปัญญายง น, นี้ทุกคนพร้อมแล้วสีเวลาในวันสิ่งทุกคนก็พร้อมจะมีการบวชต้องตังไปขอข้ามดาพยายามย้ยบทองหนักนะมันเป็นขอข้ามรรดาถ้าทรงสิ้นได้จริงๆการสร้างเสริมก็ยอมมีเหมือกันแต่ว่าสิ่งนี้ขาดด้วยเจตนาะถ้าไม่ตั้งใจใเดินไปเหยียบสัต์ใจ เจออีกของน่ะเพอาะเออคนมาพอดีในตอนนั้นเขาก็พบสินไม่เข้าตายจริงจริง ส, สินเราไม่ขาดนะสินเราไม่ขาดก็ไม่เคล่ยร์หมกช่าไหนสินเพราะเจตนามันไม่ดีวาจาที่บรรดาเจ้พุทธศาสนกล่าวว่า น, นักใจมากเรื่องวาจาอย่าลือว่ามุสาวาแต่จะเป็นมุสาวาจริงจริงต้องเป็นวาจาที่ทําลายประโยชน์ ถ้าเป็นวายจารที hour, oh, Fire, an, zak, ่รักษาประโยชน์อันนี้สิ่งไม่ขาดนี่ขอนบรรดาท่านบริษัทจงมั่นใจในความดีผู้คนในฐานะที่เป็นสาวกของสมเด็จพระพุทคสกแล้วก็มีความมั่นคงในความดีดังกล่าวมาแล้วแต่ตาลีองสมเด็จพระบพิตรแก้วกลมกเืว่าหนักไปด้านประมัติปรามี ย้งตั้งใจแาะสายความดีก็ส่วนไวสิ่งที่สรนะันระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสินตอนนั้นตอนนั้นผมเอาเข้า้นบริบูรณ์แล้ยังมีอนุสติีิเศษเชื้ออมสมานุ้ติดติดกาลังใจจะ่ต้องการดุจผ่านในชีว่ามีกำไรมากด้วยขอกระดาษทบริษัทตั้งใจไว้ดีวันนับตั้งแต่ปัจจบัเป็นต้นไปซึ่งที่ว่าสินค้าราการเราจะไ่ยอมปุกองเด็ ว่ออา ก, การทั้งเผยอาจจะมีแต่ตัวการเั้งเผยก็ตอนเชา้าศิลป์สมาคิดว่าศิลปข้ามีอะไรบ้างวันนี้เราจะไม่ยอมละเมิดตลอดวันนะและเวลาก่อนจะหลับก็เจนนาดูว่าวันนี้เราคาดศิลป์คนไหนบ้างถ้าพบศุดป์คาดต้องคิดต่อไปว่าเราจะไม่ยอมละเมิดศิลป์ศิลป์สมาศินป์มันคือเรื่องก็ตอนเช้าก็ที่เกี่ยว น, นั้นก่อนหลับก็ทําอย่างนี้ อย่างนี้นานไม่เกิ3สามเดือนทุกคนจะมีศีลบริสุทธบริบูรณ์ขึ้นเต็มในศีนห้าได้ความเป็นบัดาบันก็มีแต่ทำแน่ในฐานะที่มีอุปสรรคดีกประทานประการใจอย่างนี้ิตภัน์ไปได้แน่ตอนนี้ไปขบมดาท่านพุทธวิสาสันปั้งใจสมาทานศะีลแลงใจสมาทานบอกว่าไหนก็ทาได้ ถ้าไปที่ไหนมัน ะ, ะดวกก็ไปว่าเทพธีย์อาจารย์ธรรมท่านอาจารยี น, น, น, นนะแล้วเรื่อง ข, องข้อขาววันนี้ได้ยินไหมเจ้าวมวนที่ได้เรื่องนะไรเจ้าวมวนที่ะขาบอกว่าอนุสติแค่เจ็ดรายการที่พูดาามาแล้วเนี่ยคำว่าอนุสติแท่แปลนะว่าตามนึกถึงนหรือว่าอย่าไปใช้เพราะเวลาที่นั่งทำสมาธิ ไอ้ไทยเพาะเวลาที่นั่งอนุสนาที่อนสมาทีอันนี้ไม่ถูกต้องคำว่าอนสติได้แปลว่าตามนึกถึงตามปกติเราเน้นถึงยอมรับพระสิทระบมีเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้ตามนึกถึงสิ่งรอบมีเจติตถาบทมาเจริญสายพจน์ความบริสุทตามนึกถึงจารทานและกติธรรมทานคีดว่าใครโดยความทุกข์ยากลากเราพร้ออย่าสงสัยกำไร ในเทวาตานุษิตกตามนึกถึงความดีของท่านว่าเป็นคนที่จะเป็นเทวดาได้ก็มีสุนทรมัณฑ์สำเร็จใจเป่นหนึ่งอีรุความอายจากความชั่วแลโอตัปะฟังเต็มโตผลความทั่วได้ผลในทุกทั้งหกรายการนี้และสิบราย ก, การที่บอกว่ามีวารแต่ในกระลงงเรวดาพวกเราคืออุปจามานุษิตคือได้แก่การนม้ถึงไม่ได้ผานไปกระดอ ว่าคำว่าตามนึกถึงนี่เป็นแ่ไปตามนึกสนตรงข้างไม่ต้องพูดกับใครไม่แค่นั้นนะนังอย่างเดียวจิงก็ไม่จริงผู้ก็ไม่ที่ไม่ได้ตัาว่าห้อารมณ์ทรงตัวถ้ามียามว่างมาอะไรก็มีติดคารมพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์คุมสิ่งไม่ปกติเพราะว่าไม่ใช่สมทั้งวันกรรมฐานอนุสติทั้งหมดเนี่ย ไม่ต้องนั่งขัดสมาธิให้จิตตรงโทในขณะที่เราทำงานอยู่แล้วนั่งอยู่เราจะไม่ป ร, มมราโมทพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเราจะไม่ละเมิดสิ่งทีพร้ะในการให้ทานตามควรการให้ทานไม่ใช่การให้ทานเกินขั้นควรถ้าให้แล้วมันวเจ้เดือดร้อนภายหลังไ ม, ม่พอกินไม่พอใจอันนี้ไม่ควรให้พระพุทธเจ้าสอนอางนึ่ ถบนจะไม่ส ม, มูลแบบถ้าให้แล้วต้องให้จากมงค์คนซึ่งไม่เดือดร้อนแต่ความดีของเทวดาวนี้ต้องไปจําใจว่าขึ้นเชื่อกความชั่วเราจะไม่ทำทั้งต่อหน้าและรับหลังอายความชั่วและอายผลของความชั่วเปงนตัวผลของความชั่วอันนี้านนิยอมรับแต่ลมบารมต้องการเป็นทานที่ด <c oughs> ใค้ถามว่าถ้าอย่างนั้นเวลานั่งสมาธิัำสมาธิทมติงสงบจะใช้บทไหทนพาวนาก็ต้องตอบว่าบทไหนก็ได้ตามใจชอบพราเวลานั้นเป็นการยับยั้งอังคณิวร์เวลานั่งสมาธิยับยั้งอังณิวรณ์น่ะเป็นการในหนึ่งความรักในความเจริ สองความกรสาความว่สีส ท, ทุกข์้าน5สงสัยการทำสมาธินี่เปนการยับยังอวิเวรอับเปการไม่รบกวนใจทุกขตาเพื่อจิตใจและก็อัน น, นี้แป็งได้ในปัสนายานทันยังไงในปรจนายานี่ญญนถาาา้ถาทำเพื่ไปก็ไม่เป็นประโยชน์ ถ้าทำเลยกําลังนี่มีประโยชน์เน่เอาแค่พอกาลังนี่ปรนายานขั้นต้นเราเมัยรุสสิิอยู่แล้วนี่ก็มีเมืปรันายันคอที่ปรัชนายขั้นตน้นแต่แก่พระอริยเจ้าขั้นตน้นถ้าทุกคนสอนรุสสิอสี่ราการในคดท่วนเขาเป็นประตูดาวพันแล้วหลังจากนั้นเถ้ากปรัชนายานตัวสุดท้าย เรียกว่าหมวดสุดท้ายด้วยการตัดวิชาได้กับอุปสมนาโนสษิสมารถค น, นจริงเชื่อนี้ไม่ไึกคือไม่ออกขออะไรให้มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าการเิดเปน็นโลกเป็นทุนโลกทั้งโลกไปมีอะไรเหลือคนก็ตายหมดใสก็ตายหมดวมัตถุธาตก็ตายหมด อยาลีท่านเรียกว่าเรีจะอะไรดีอ่ะได้บอกไหมเป็นอรมุ ป, ป น, นิพพานในในอาคินจัญญาเจนนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสัตย์กับลูกศิษย์ทูกตามภา ร, ารีเขาถามว่าคนต้องการปนิพพานให้มีอะไรเขาต้องใช้อะไรเป็นอรมป ก็ได้เจ้บรกใชยอาจริงจัญญาเจตนาธาตุเป็นอารมณ์ไม่นี่เรื่องรูปฌานรูปฌานตัวนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาผีไม่ได้กันต้องใช้เป็นอารมณ์คือมีความรู้สึกเห็นคนทุกคนแต่คนทั้งหมดก็ตายหมดเราก็ตายเขาก็ตายคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครเหลือสัพย์ทุกประเภทตายหมด บ้านเรือานารต่างๆสร้างแข็งแรงแบบนั้นกันในสุดประสานในการจองไม่ต้องการโลกนี้และเราก็ไม่จองก า, การเทวโลกแลสสมารโลกสุที่เราต้องการยืเชี้ให้สิดท้าน น, นี่เป็นทั้งอรูปธรรมและเป็นวิปัสนายาณสุดท้ายและเป็นอุปสมานุติกรรมฐานด้วยเที่ยางการนี้นะละแล้วก็ปีนี้ขณะที่ทนมาถ่ายกัน ม่คืเนี่ยแต่มาไม่ไม่ไหวนี่นท่ามงงเองงนเองเท่าไรบ้างเหมือนีันวันนี้พอมีแรงนิด ห, หนึ่งขนาดที่ท่านทำะไรก็ทำไปบ้างพอจนยะเล็กกย่องย่องขโมยหัวใจคนไม่ย่องไหนย่องอย่ัวเนี้นออยรวมัพเสร็จสิทธวายเจ้าเลยดีมาก ก็รู้สึกว่าท่านกำลังจิตสว่างนี่ก็รู้สึกว่าได้เสียใจเสียดจกายเสื่อมถ้าจิตมันดามืดแล้วก็แล้วก็เสียเสียใไกลยเสื่อมว่ากลเกิดมมาแล้วรับพ้นจากอรภัยภูมิมาแล้วบางคนและหลายคนอาจจะมาจากจุดาเรื่อผมบางท่านอาจจะขยันไหวอย่างโชคเย่ยงโรมจากอรภูมิก็ได้ ในเมื่อเราไม่มาจากอบายภูมิมาจากเทวดาเราผมถ้าเราไปอบายภูมิเราก็ขาดภูมิถ้าซึ่งจากอบายภูมิมาแล้วมาถึงมนุษย์กลับแล้อบายภูมิอีกเราก็ขาดภูมิในการดิจิตท่านทุกท่านส่วนใหญ่ใจแล้วส่วนมากเราเชือมากจากมีความสบ่างสวายเจ้าแต่คล้ายกับไม่เดือดเดือดเดืยง มันมือกัแสงหลอดไฟฟ้าอย่างนี้ก็ถือว่าได้เกียงเพรทุกคนต้องอาศัยความดีมีไวอะไรบ้างที่มันบกต้องพยายามแก้ไขให้มันตรงตัวโรยอี่ใจญยิ่งก็คือสูนอกจากนั้นไม่มีอะไรความจริงกาลังจิตจะสว่างนี่มันยากเดยมากเห็นอย่างเก่งฮ้อยสี่จะปีติเกินดอกเล็กๆอันนี้อย่าสู้ไมไหว ถ้ายอย่างนี้ยังตั่วไปยังูไม่ได้ถ้าเสอทัเดียวหลัวไปยังพเลยถ้าจิตสว่างมากี่มีการมีการพ้นน้าไปูได้เก้าส้าเปอร์เแต่อเปเนตเดียที่ะก้าลงไปพูในคามเต็มใจไม่อไปแม่ถ้าไปพูปถ้าไม่เต็มใจท้อไไปกันนะ ทำให้เก้าถึเกาเปอร์เนเาได้หรือเปอร์นเนอยู่ในกรหมายความท้าท่านพูดใจยังทรงทห็นให้พบพ้นไม่ได้ยังใช้คำว่าเป็นโสดาบันไม่ได้เราไว้ใจตัวเองไม่ได้อาจจะชาาิ อ, อะไรก็ได้ถ้าทรงเหนห้าไปุดขอดอีพวกเราได้ปรับรงขออ้อเดียวอย่างอนี้ครบพนแล้วแต่ว่ามีมากท่นนนานทมีเป็นห้าไปกดพบมานางแล้ว แ, แลางทีนที่น่นเนี่ามีามีแล้วก็พบมานานแล้วใครบ้างี่เรู้จักรู้รู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักชื่เพราะเขาไม่เขียนชื่อบนมอหัวมันมองไปมองแค่หัวเองใช่ไหมมองแค่หัวเพาะหน้าไม่ดูที่หน้าผากเขาไม่ดูชื่อก็เลยไม่รู้เสืออะไรต่างกบางลายเกลยียงจิตเลยไป เลยถผงห้าไปถึงขั้นดังสายกำหนดสิกมีท่านั่ง่ถ้ารงทรงกำหนดสนี้เาไม่เรียกพระโสดาบัยเพื่ิทาามีเป็นพระยเจ้าขั้นที่สแล้วบางท่านตรงเส้นปบริสุทิ้าทรงเส้นปดบริสุทิ์นีเขาไม่เรียกสิทิาพามีนะเรียกอนาคาธมีอนาธารม นาคามีขั้นมัชเป็นผลนาคามีมัคถ้าทรงสิ้นแปกจริงๆได้ความเป็นใจแล้วก็ไม่ลำบากใจในการรักษาสิ้นแปลกเพราะตั้งใจรักษาความดีครบถ้วนมีสมาธิพอควรรัษาสิ้นดีมีมีวิปัสนาญาขอควรมีปัญญาขอคนจิีใจรักนิพพานเปารมณอย่างนี้จะเรียกนาคามีมัช ใครมีบ้างสมัยก่ประอนแล้วกันนะเห็นสากหัวเห็นจะหน้าปากไม่เห็นชื่อไหนใครม้างหลังเห็นื่อที่หน้าผากนะที่จะบอกชื่อใครเรื่งองความมาก่นกำลังใจขจรบรรดยาโยมพนนี้ตอนสมัยก่อดีมากต้องถือว่าดีมากแต่สำหรับท่านที่ยังปอดป้าจู่บ้างของควอยดี อาจจะใหม่ก็ยังไม่เข้าใจนี่ไม่ม เ, นนเป็นไรพระพุทธเจ้าบอกกายพบคนเช่นใดก็เป็นเมื่อคนเช่นนั้นถ้าเราพบคนที่มีศีลบริสุทธิ์ไม่ฆ่าแล้วก็ศีลบริสุทธิ์พบคนที่หวังผลพันธ์เป็นปกติไม่ท่าแลววังผลพนที่ดีของเขาเป็นาน้จะเประยทคนโึกาบางคนจะบอกว่าเวลาทาสมาธิจิตจะไม่สงบ ไม่คิดน้คิดนี่ทำไม่คิดทำไมจไม่ดีจิตเห็นไหมจิตในร่ภาพยิ่ง่เแต่เมื่อเวลาดูจิตดูใจเนี่ยเขาไปดูจิตสงบเขาดูจิตสงาดกันจิตคิดน้อยคิดนี่บ้างเนเสื่ของธรรมดาเขาดูไปสงัดทั้งจิตจิตไม่คิดแต่ว่าไม่หนักในด้านกงลสนอร์เดิมที่มระทงตัวมันหวังอะไรอยู่ตัวนี้มันทรงตัวมันหนีไม่ได้ อยเรลืมว่าการดูกำลังใจหรือตอนสมาธิหลักสิบต่อแปดคนที่ทททบบบทดีไม่ได้เลยเวลาทาปั๊บคิดหน่อยิดี่คิดนี่คิดนั่นแต่คนไม่คิดั้านผลกระทบอันนี้ไม่เป็ไนไรไาจิตใจส่วน ใ, ใหญ่เราตรงว่าเกี่วความดีหวังให้เป็นปัญารมนี่กิดสะอาดมากเราดูตรงนี้นะอย่าไปคิดว่าแหมเราไม่นั่งหลับตาฟินจิตตสงแปงอันนี้ไม่เนีย้ย มีจิตตุภะองค์เดียวที่ทรงเพ่งไม่ใคไปไหนเลยคืจิตตัพุทธเจ้าไหมใครถามจะเดิไปคิดอะไรนั่งก็นั่งทรงเพ่งไม่เลียวซ้ายไม่เลียวขวาแ่หน้ามันจะไม่เลี้ยวจิตจะคิดอะไรแล้วผ h ้ใจเจ้าก็ทรชีวิตอยู่ทั้งกที่ไม่จับอะไรที่ แต่ก็รู้ว่าเจ้าทรงคิดอย่างเดียวว่าจสมบุคคนใจดจะได้สรุปธรรมมาพิสมัยบ้างหรือว่ามีดวงตายิย่งทำบ้างไอ้คํารือว่าธรรมมาพิสมัยนั่คือใครจะได้อะไรบ้ า, า, บางจะเรียนนะถ้าว่าธรรมมาพิสมัยในบาลี น, นั่นไม่ใช่ว่าอะไรเดีเ๋ยวใครจะได้ดวงตายิย่งทบ้างนั่นก็จะเป็นตัดาบาัานขียนไปให้คิดอย่างเดียวเท่านั้น คิดแล้วได้เห็นหน้าแล้วรู้จักแล้วเรียนสถานที่ไหนรู้ชื่อแล้วใข่ก็ไม่สู่ต่ตอบไปว่าคนนี้เดิมทีเดียวและทําบุญอะไรไว้ในอดีตบุญที่มีกําลังสูงพอได้บรรลุธรรมาในสมัยหรือว่าเป็นได้โดนตายหรับไม่ต้โดนถึงเก่าบุญเนี่ยเขาทำไม่มากไม่ยอมทําไม่น้อยหรือว่าไอ้จุดจุดบุญที่มีความสำคัญพอที่ยังต้องเอาผล น, นัะตรงไหนอะไรแน่ มาท่านทราบแล้วท่านเสด็จไปท่านี้จุดนั้นโดยเฉพาะพ อ, อะที่จุดนั้นจะยพบะก็พูดันไม่มากคนนห้นก็มาลบบัคบุตรที้งสิ้นไปลบคบุตรแล้วไปไหนเลิกเปล่าแค่เลิกหมดแล้วตัว อ, อ, อย่างท่านอะไรจุลมันโตกท่านจุลมันโตกชาติหลังนี่จอมโอเอะ ด้วยจอมโง่แต่จะมายความมาที่ชายให้ท่องคาถาเดินยวคุณเสด็จพ SO e. ิจโสภณต้นที่เดือนท่านจาไม่ได้แปลว่าพอพี่ายไล่ไปหาพระเจ้าพระเจ้าให้คถาหนีเสียวความทเดียวเดียวไปาหลงพเป็นสมัยานแล้เสมากมีพระเมตาพระเจ้าก็กล่าวโคตรเก่า ว่าที่จุลันตกต้องเป็นคนงโง่และไม่ใช่งโง่ชาติหลังนี้นะโง่มาหลายชาติอ็อบโลกว่าในชาติก่อนน้อยเคยเพระตัวมีปัญญา ด, าดาาทาีท่านอะไรประจําไ ด, ด, ด้ายไปเก็บพระองหนึ่งท่านถ่านเข้าคาถากดมนิเสือะไรก็ตามอู่เข้าแล้วก็จาําได้กระไดเป็นนับร้อเร้อยยอ่อค น, นหนึ่งเยโง่เท่าไรชาติ แล้วก็ตอนที่เปรย์ทหารัขาก็ดเดียเ๋ดยเวเดี๋ยวเปรย์ทหาพระเจ้าเสด็จว่าในสมัยติดดำบันและติ ด, ดบันคนนานมากเลยต้องคอยหลังก็เป็นแสงกลับเสมอสมัยนั้นท่านจุฬบุตรเป็นพระราชาวันหนึ่งเรียกพระนครได้เรียกพระนครหน้าคนณเดชอวุลได้เป็นโมทพระราชาไป เมื่อไฟกำบังทางมันร้อนเหง่อก็ไหลอันมีผ้าถนับทิศหน้าจะเป็นผ้าขาวเทศไฟเทศมาที่เหนื่อยใครมันก็เิดตัวแล้วเขอนเศามองผ้าเขาเ้าหมางองพอมาคิดในใจว่าร่างกายเขาคนมาตกตะกอนอย่างนี้เลยแท่นี้นะทน่านพบว่าเจ้บอกคิดเท่านั้นแล้วไ่ได้คิดอีก่านถือว่าเป็นวิปัสสนาญาติโดยทั้งขนันเป็นจุดพุ่งมัดผล เวลาทีอ่องค์สมเด็จพระพุทธสัจพนจะให้เป็นกรรมฐานก็ส่งผ้าจีน่าผ้าขาวอีกชุดหนึนหน่งให้ภาวนาวราชุนนาว่าจางน า, นาสีก็ภาวนาได้เป็นใครแล้วใช้มือคึงผ้าขาวไปคึงไปคึงมาคึง ม, มาไปไประเดี๋ยวมองพราขาไม่ก็ฉันเนริ่มไปขาวอ่นใครไม่จับใหน้กรรมฐานพิจารณาว่าร่างกายพวกเราถ้าส่งส่งขนาที่เค บันที่ที่ผ้าขาวสะอาดก็เ่องไปคือมาเงือกใครมันจับให้เงือกใครก็มาจากร่างกายตัวเองแส้วร่างกายเรากมดเองเพีงแค่นี้สำเร็จหลันเพราไปในมิจฉายาณเราฟาว่าการปำเร็ญบุส่วนเขาแต่ะคนพระพุทธเจ้าดูดสึกสยเป็นเวลาที่ใช้เจีย์ตรงใหญยของพระทุกองค์ก็ต้องใช้ในจุดนี้เหมือนกัน เวลาดูจิตเขามุกคนจะไหเขาไม่ดูจิตสงบภาวนาว่าอย่างไรคิดไปยังไงเขาไม่เกี่ยวกันเกี่ยวว่าอารมณ์จิตจยู่เดียวสะอาดหรืสงบเุ่านั้นถ้าจิตสว่างเจ้าแสดงว่าจิตสะอาดมากท่านพูกนี้มีหวังไม่ได้ฝันไม่ได้สลามจิตต่อไปนี้ไปขอสุขุนใส่ใจรับฟอนสมาสัมมุทูงินใส่่าง การทราบโดยลับๆวันนี้เป็นวันที่สามขอพูดกคำฐานตามจริตเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก่อนจะลงมา พระเจ่าบอกว่าคณะพวกเราทั้งหมดเป็นผู้หนักในศรัทธาจริตกับพุทจริตพอทราบว่าความจินั้ริจริตนี่ภาพเราสงสารว่าสามารถอภิญญากรได้ถ้าอภิญญากได้ถูกไม่ได้แน่ทานนี้เอรายไรไม่จารรบุตรทสารวุขวา จึงมีปัญญาเลิอที่สุดเป็นพู้เรีศาสนายังย่องแอบให้สรรมฐานที่เจอใช่ไหมลูกชายที่ทราลูกชายในชั้นสองในการจะทราบจริตของคนก็ต้องเป็นผู้เรีเจ้าโดยตรงแต่การจะริญกรรมฐานตามเจริญที่มีผลเร็วมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักปฏิบัติทั่วไป ที่ศึกษากรรมฐานสิ่งที่บก็จะต้องมีความต้องก า, ารกระไทรหน่อบิดเบืแบบไหนถ้าแนะนำไม่เบือนต้องก็จะไปเร็วมากเจรินที่ได้เปรียบที่สุดก็คือศรัทธาจริอชพุทธเบือนทั้งสองเริอนี้ถ้าบุคคลใดมีเรือนต้องไปจำใจเป็นนักปฏิบัติที่ได้เปรียบ ม, มาก ว่ามักคนที่สนใจจะได้รวดเร็วมากศรัทธาจริีก็มีะ ม, มาณว่าคนชอบอยากได้มากใช่ไหมใครให้เดไ ม, มาที่โกจะพึ่ไม่กอกหร่โกเลยเอาทุกอย่างทั้งนี้จะเว้นไว้แต่ผู้ให้จะให้สุดเพี้งเหมือนกัน และถ้าประกอบด้วยพุทธจริตพุทธจริตที่เป็นตัวปัญญาคือมรรคผลจริงๆจะเกิดได้อย่างพุทธจริตถ้ามีพุทธจริตประกอบด้วยมรรคผลจะได้เร็วมากแต่เราฝรายพุะจริตตัดีคพุทธจริตตัดีมืจริตตัดีไม่ตกองพุจริตตัดีทังสี่เจดีที่พทยใดียหามรรคผลใช้เวลายาวมาก และก็ต้องใช่รุนแรงมากในคนที่มีศรัทธาจริตเป็นผู้นํากับโบผู้ทธจริตนี่ต้องถือว่าเป็นผู้ดี่เป็นมือบารมีซึ่งคนมากคือทําความดีดีมากคาว่าศรัทธาจริตแปลว่าชอบเชื่อชอบเชื่อในฟังแล้วเชื่อนะไม่ชอบเชื่อข อ, อ, อ, องใ้เป็นซึ่อองเขาจะเอาไปไหน ม็นคืออของเชื่อแล้วมาจ่สตงคในไทยไม่ใช่สตางจริงันนี้เรื่องที่นจริงที่เจริงไม่เช่อไม่กระธานนะสตางคจริชอบเชื่อแต่ก็แนะนาอะไรมาเขเชื่อแต่ว่าถ้าเป็นสตางจริงอย่างเดียวหนักมากไม่มีผู้ชยจริงเขควบอย่างนี้แยกเหมือนกัน ก็เชื่อดนการไล้เหตุไลยผลแต่ว่าคณะพวกเราคงไม่เป็นแบบนั้นหลายปีมาแล้วที่เขวียเป่าผู้บาไที่หัวที่าระตูไปไม่กระบอกว่าตู้อิดต้งพอทั้งหมดเป็นศรัทธาริตทั้งหมดสมบูรณ์ใช่แต่ว่าพวกนี้มีศรัทธาเป็นกองเปบนปัญญาหมดใสใส่ใส่ใลงทียิบเลย ตัรว่าคนที่มีคาถาอย่างดเดเฉยๆเนี่ยเขาเชื่อน่ะทั่วคนเชื่อดีคนเชื่อแต่พวกเราไม่ทั่วมันก็นแคเชื่อเชื่อจะมีแต่กลางคืนนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกก็จะลงมาที่พวกเราคืนนี้ไม่ใช่เป็นปัญญายทั้งหมดเป็นปัญญาคือลำฟังคำแนะนําองพระพุทธเจ้า <c oughs> ท่านจะไปหาท่านท่านบอกว่าเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่ต้อควังจริงกัน คำว่าบอกความจริงในสมัยความถ้ากําลังใจไม่เข้มข้นเนี่ยบอกความจริงก็ไรผลแต่กําลังใจเข้มข้นบอกความจริงจะได้ผลมากถ้าไม่เข้มข้นจริงก็มีจริงอย่างสุเปิดจริงเลือยงก็เชื่อได้ฉันบอกว่าคณะของเธอทั้งหมดบริวารของเธอทั้งบริวารแบบบอกบอกว่าจะรักษา เป็นผู้ธนาฏเลขัทั้งหลาและวพุทธาจิตก็ทั้งสามปัจจัยทัามที่เป็นเจริญประธานองค์ใหญ่เป็นหนึ่งพุทธานุสติในถึงพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ธรรมานุสติคือพระัจจามฉันทานุคตานุสติคพระอริยสงฆ์ สำหรับพระนี้ ต, ตพพยตงังจำกัดไว้เฉพาะพระอริยสงฆ์ท่านั้นจะอนุญาดให้ช่วยดูดูเหมือนกันแล้วก็ศีลลานูกิษยเคารพถึงตาคานุกสิคย์เคารพการบริจาคและก็เทวดานุศิเคารพความดีของเทวจาในหกอย่างนี้ความจริงท่านไม่ได้บอกให้ทาแล้วหกอย่าง ถ้ากำลังยังอ่อนให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะหมายความว่าเธรชอบอย่างไหนมากทำอย่างนั้นเอาใจจดจอด่อเรืถึงนั้นใช้ได้มีผลจะเป็นทันเดียวถ้าท่านจะบอกไว้ทีูมว่าคณะบริวัยของคือเวลานี้ทั้งหมดจะริบเจ้าหกทั้ง5้าจะริบเจ้าครบแน่นอนตรงตัวแน่ เออแต่สองคนนีิล้อหลินศิลป์นั่นลินเออสุขเอ้สุขผมพ่อแม่แก่แล้วเรืมเรื่มหัวซ้อนสำคัญศิลป์ท่บ่าวเขาก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนไรศิลป่าไม่รูในศิลป์ที่บ่าวสำคัญศิลให้มันคงให้นำก็มีเจริญเขามีกรรมฐานกองเดียวที่เราต้องระมัดระวังซรื่งศิล ถ้ามีสิ่ง บ, บ, บาส่วนครบท่วนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคระว่าเสือสิ่งห้าก็เป็นพระสงฆดาวปนะัตนนั้นก็เรียกว่าคิดฆ่าอย่างไม่ต้องระวังแ ล, ล้วครบท่วนแล้วนิยมถือว่าเป็นส่วใหญ่ต้องถือว่าเป็นบุหนนะักคือพระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนคนต้องมีมรรคผลให้าจะจอดเฉพาะสิ่งที่บกพร่องที่จะเอะจบ คนนั้นเป็นเบโซดาฮิตาคานาคารหันท่านไม่ได้เชิดแตต้นเย็นปลายท่านมองดูจิตใจเขาคนที่บำเป็นกุศลมาแล้วว่ามีาบารมีครบถ้วนเป็นป ร, าปรามาสตร์บารมีจริงแหล่ะแปว่าจุดไหนที่สองท่านจะบรจุจะพัะจุดนั้นเท่านั้นเพื่อเขาเข้าใจทจุดนั้นได้ก็ได้มักผลทางกําลังของเขา ตรอมาก็ถามท่านบอกวามไว่าสำหรับคุทธเจิญที่มีความสำคัญมากเมื่อคืนนี้ก็เผิไปก็เปิดเส็เหมือนกันคุทธเจริจริงๆจะมีกรรมฐานสี่อย่างขึหนึ่งมรณนุสปิณถึงความตายเป็นอารมณ์สองจดุภาคฐานสี่ที่ดำนานาตสี่ในร่างกายและก็สามาหเรมริภูริัญญา กต้องสีอุปสมารุปสิกธรรมทานในสี่อย่างนี้ใครใช้อย่างไรอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้งสิี่ขั้นแรกใช้อย่างใดงงยงนนอย่างหนึ่งโดยเฉพาะถ้าทําได้จริงกําลังก็จะลดท้อควนไม่จะเป็นโรคที่ยากแต่ว่าท่านก็เลบอกว่าคณะของคือก็นหนักในอุปสมารุปสิกธรรมทานอยู่แล้ว นั่นคือมีกําลังใจต้องการปฏิภาณเป็นอะไรคือหนึ่งในสี่กรรมฐานนั่นแหละนะอย่าลืมว่ากรรมฐานจริตแต่ละจริตพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานได้มากไม่ใช่ว่าจำต้องทําทั้งหมดจะทําหน่วยใดโดยหนึ่งมในสี่กะในตัวฐานจริตนั้นก็พอดูตัวอย่างลูกชายพระในเชินโลกพระลูกชายในเช่ขงของ เธอเป็นคนมีโทสะจริตโทสะจริตจริงๆนี่ต้องใช้สรรมฐานแปดอย่างคาว่าปดอย่างนี้ไม่ต้องใช้ทั้งแปอย่างไดอย่างหนึ่งก็ได้ถ้าใช้คนมีหายใจต้องใช้ทรกทุกสี่อย่างทุกทุกกมถานที่เจริญนาไม่ใช่ภาวนาแต่ทิ่เจรณาที่ก็ไม่ฟังไเสมอวันหนึ่งเราจะมีความนึกหนึ่คนตเสมอที่ตัวเรา สองกุณาความสงสานในสุขฆคกุลสัตว์จะมีความสุดสารจะมีจิตอาอโยนไม่สารจะขี้แยใครเองอื่นได้ดินคอยยินดีด้วยมียมเบคาวางใจให้ครอื่นที่ยังำไม่จำเติมถ้าพอมีอ้างสีนี้ไม่ใช่ตัวภาวต้องคิดเป็นตัวคิดไว้เสมอว่าจะทำอย่างนี้ต้องทำทุกสิ่ง ต่อมาสีว็คการสินสีอย่างหนึ่งการสินสีแดงเรื่โลหิตการสินสองก็สินสีเหลือรกว่ิตกระสินสามกสีเขียวเียก่นกรสินสี่ะสินีขาวเรียาตาแดงสินในการสินสีอย่างนี้เเลือกตัวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่ตั้งสินเราจะแกโซ่ให้การสินสีแดงกับฟ้าใสไม่เท่าน ในทั่วทุ่เดียวเืนกใจบรรลุทางสิงต่อมาพระองค์เสนองมีาใทรงแนะนำคือทำปฏินิพพ์ให้เข้าใจในวิบัตนาญาติเปรยไรัตพอมิจะไม่สายใหญ่ความจริงภาพทางกรงฐานทุจริตง่ายไปเลยว่าก่อนนี้ถ้าฉันจะดาวคุโงยเปย์กลุ่มควาาวราขจริตรดีโทสัจาริตดี โมหะจริตตัดีทางสารจริตเดินทางออกมาการเดินทางตรงก็หาความเป็นพระอริยเจ้าในผลิตภัณก็ได้แก่ศรัทธาจริตจากพุทธจริตในั้นเมื่อทุกคนและส่วนใหญ่ในที่นี้มีกําลังศรัทธาจริตเป็นตัวนํหรือว่าได้เกิดมาแล้วเวลานี้ก็มี พุทธเจริญเข้ามาประกอบคือการในการนี้ภายในก็เยอะเลยนะ่นั่งขอบรรดาลแต่พทะบุญสักทุกคนที่พระพุทธเจ้าต้องการว่าเจริญต้องสอนใหการเราพรบถ้วนให้ละมัจจวันจริงๆให้คนจริงคือตื่นต้องตั้งใจตรงศีลในบริสุทธิการตรงศีลในบริสุทธิ์ก็หลายคนนี่ก็บริสุทแล้วในที่นี้นี่เยอะ มันจะน้อยที่หาบางคนเราสาทิได้ทำไน่ยหตัวเปอตัวหายไปแต่หายหายต้งหกทิ็ด้สตัวนี่หายไม่เป็นไรแต่ในช่วงระหว่างทงห้ามันแย่ไปตรงห้เขาว่า พระคัมภีร์ศาสนาจะเป็นองค์คุณพระโสดาปัณฑ์เท่านั้ระโสดาปัณก็ไม่มีอะไรคารมพระพุทธเจ้าจริงคารมพระธรรมจริงคารพระอริยงฆ์ไม่สงสัยในความมีและก็มีศีลบริสุทธิ์โสดาจริงๆี่ย่ ถึงกับปานาดิปาจาวก็ไม่น่ะตั้งกันโยงมาโยงไปยยงมาทีวใช่ไหมแค่กับปานาดิปัตั้งกันก็แม่น่ะที่ได้กลุ่มคนที่นั่งที่นั่งทีหนักมากจริงๆชมสาว่าไม่เบาเชื่อน้อา คเนี้แค่ชื่อไ่สคัญอะไรสักหน่อยคือผู้เสี่งจะจะจะหลงกลแต่แน่เนี๋ยวเขาไม่เสือมสาวาแต่คำว่ามืสาวว่าจริงๆริให้เข้าใจว่าต้องพูดทาลายประโย้นเขาถ้าพูดไปยังไม่ทาลายตระนเขาไม่ถือว่าเป็นมืสาวว่าอย่างตัวอย่างที่เคยยกให้จับบริกาก่อน ว่าสมมติว่าคนสองคนเขาทะเลาะกันใหคนหนึ่งก็มาหาเราเขาก็นั่งเลนทาในนั้นได้ยากจำในว่าหลอดนั้นเต็มที่เลยเนี่ยลำบายความรู้สึกแล้วกยกโทษในเีื่อต่างจริงบ้างไม่จริงบ้างพอคนนั้นไปไล่คนหนึ่งเขามาหาเขาเล่นทาอะไรฉนบ้างถ้าเราพูดทางความวาปเป็นจริงสองคนจะทะเลาะกันใหญ่ ถารพูดไม่จริงเป็นการกักษาวาทหมาก็ต้องดูประโยชน์ถ้าพูดเพื่อรักษาประโยชน์ไม่เป็นมือาวรเป็นไม่ธรรมดาก็อ ต, อต้องตอบว่ากล่าไว่ได้มีอะไรนี่ถ้งพูดกันตามธรรมดาธรรมดาคือด่ากันเนีา่ า, ายตูมาด่ายังบุษเธอพูดกันทันแบบธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรทั้งหมดเล้ใช่ไหมอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นมือถาวารถือว่าเป็นการรักษาประโยชน์ คนสองคนนี้จะไม่โทสเกันยิ่งไปกว่านี้เป็นแ <c oughs> ม่สาบรมี้าว่ะพูดแบบนี้มีตัวอย่างที่ไหนบ้างเยอะเลยหลายทีตัวอย่างนะเลี้ยงตัวอย่างง่ายๆอย่างว่าสารีบุรตรพูดกับธรรมิกาโจรแล้วจะเป็นการมาเอินถ้าธรรมิกโจรท่านเป ล, ลาบท้านจะลงหรื ประเมินให้โง้เลยท่านเป็นพระสุดาบันไปเลยแว่าตามนิจโจนได้ข่าคนเป็นหมืน่นมากองสัยมันม า, มากท่านจิโจนทขาก็ข่าคนต่อมาเป็นพิเศษฆ่าตามบารีว่าข่าคนเลยเหมือนคนโจนห้าร้อยเขามาต้องตัดคองหมดทังห้าร้อย คางถม้ว่าเป็นพิเดราก็ต้องบาปคือการข่าเขาจะลืมว่าการข่าขาพราการรับจ้างจากพราชายกจ้างฆ่าตองบาปแต่เมื่อภาษาีุ่ตรเข้าไปตรงเราะทั้งเพศกันแรกขันข้าอิ่แล้วนี่มีแรงเพศใมความจรงถ้าใจใจ็นู่กรธถ้าไม่เห็นมั่ผลนี่ทจโกเพราะตั้งไตเกิดมาไม่เคยจัดหน้ากันเลย ท่านทราบว่าสามิกาชนเวลาวันนี้จะได้เป็นโสดาบันและเีลาการสงเขาจะพูดอย่างไรและการด้วยสมิธายามมีความฉลาดมากต้องพูดในถูกใจพอเข้าไปแขงข้าวเสร็จในตอนต้นเขาแสดงความเมตตาก่อนตุ้นธรรมิกาชนอยากกินท้าวต้องญาตมไหลายทีไม่ถูก ้าูุสาวทําให้พอทาพําท่าไปกินจะเปิดข้าวพระโผล่หน้าประตูบ้านเลยไม่ใช่ห น, น้าประตูรั้วนะบนบ้านนะหน้าประตูบ้านเรายืนกอจะเห็นหน้าชาตายจริงเราต้องกานเกิดมาไม่เคยทำบุญในเมื่อพระพุทเจ้ามาขนาดนี้ถวายให้มีบาร์ทำบุญเกิดก็จะเรียสนสมถันท่นทานสาธิบุตรเป็นสัจจะละ ท่านรู้ว่าตปิกาชนมีความเสหายนอาหารประเภทนี้เนะมืนน่อดินลิบไม่ดิกลิบมานานอยากกินมานานเวลาท่านเปิดเข้าไปตาท่านก็จะเรืองดูความปิกโชนนี้อยากกินมาหลายปีเขาจะ ก, กินสทีพะไข่คอใช่ไหมแกก็จะเลี้ยงน้ำลายหยดทำลายหลายเจ้า <c oughs> นี่เป็นอีกลยว่าเป็นปนัญ <c oughs> ชวะอัน้นึ่งทำลายไหลเพราะฉะนั้นที่มันประโยชน์หัย ถามไม่โยมมีความกระหายหรือเดมบอกผมอยากกินมาหลายปีแล้วครับในวันนี้อยากจะกินเนอเดพี่เปคุณเจ้ามาก็เลยทับุญไมา้ถามว่าโยมอาหารที่โยมให้นี่ยถ้าจะมาแล้จะไหมขอดใส่ถ้าจะมาจะให้กับใครโยมจะว่าไหมบอกจะว่ายังไงครับพวกคเจ้ามีสิทธิของท่านไม่เคยขอหยิบชามมาเปล่ามาลูกหก็่งเพแบบงใ้คืย ภาษาที yup. <mart> ่บุตรก็ฉันตาโยกอกอินว่าแล้วเรากไปเต่างคนต่างอินในการนึงคู่ในการแสดงความเมตตาแบบนี้อันนี้การนเข้าชื่นใจดีไหมว่าเรามีความเมือหพระมาในฉันได้ผลเดียวต่อมาเวลาเทศแทนเกี่ยเทศอันิสงของฉันฝาไมเทศโทษก็ฝานาดบาติสะโพสบายมาก คนฆ่าสัตแต่ชีวิตโดยเฉพาะอย่างนี้ได้ฆ่ามนุษย์ก็มีพ่อจีกว่าข่าสัตว์เป็นย์อย่างมากตายแล้วเปแล้วไปไหนอย่างเละที่สุดไปสันติทะเลาะตาย่ามาม่าไปเวียนลีบอนะพันไปละเอียดอ่อนอีมากอ่อจะทะเขามคงใหญ่เอาเวียนจีเจ้าข่าบริว า, า, า, า, า, า ย, อ ย, า เ, วยอวเอาจะบริวัยแต่คมที่จะตัวว่ารวยเหมเพศือเครื่องนข้ายกเปลือมใจเือแตลกลก ก <c oughs> ็อะไรเลยก็อออเอรี่ําให้มาเรียบร้อยอธิบายเรียบร้อยใเราประโยชน์ท้ายยอมสบายเลยเชื่อเขาบอกว่าสบายแตน้มันที่รู้ว่าเจ้าเจนเรียบร้อยจุดประการแม่ปูงครับผมผ่านหมด <c oughs> ไม่ว่าคุ้มไหนคมผมร่อเรียบร้อยหมดฉันก็เลยถามไห้โยมยอมฆ่าคนแล้วตั้งใจฆ่าในตนเองจะใครใช้ฆ่า ท่านอาจารย์นิการโจรก็บกวายาชาใช่ผมเป็นผู้เด็าท่กรถามว่าโยมสมมติเลยโยมเป็นลูกจ้างเขาเจ้านายก็มีนาหนึ่งรอยไร่เขาใช้โยมทำยาแก้เศร้าผลในนาออกมาแล้วโยมจะได้ผลในนาทั้งหมดจนได้หรือได้แต่ค่าจ้างโยมก็ตอบบอกว่าผมก็ได้แน่ค่าจ้างผลในนาทั้งหมดเป็นคนเจ้านาย ก็ถามว่าในเมื่อการมมรับแจ้ามีสภาพเป็นแบบนี้ที่พระราชาสั่งละโยมฆ่าคนบาปอยู่ใครเป็นโมกว่ากงคิดว่าบาปอยู่พระราชาพระสารีบุตรก็เทศใหม่เป็นองค์ทูทนหันประกอบถืเป็นกงค์ดวดาวัปนใเนไหมอย่างนี้นะว่าเปล่าเขาพูดมาฉันธรรมดาธรรมดาเนีย <c oughs> นย่าดืมว่ามูสสาวัตเนี่จแก้ปูทำลายได้เพื่เจตนาทําลายสูตรประโยชน์ของเขาเนีย่ยเขมาวัดว่าเขาไมาก่กู้เงินเรามันก็ยืมเงินเราจำมอนเนี่ยเขายืมเงินกู้ท่ทไรไม่เคยให้คืนเลยทีถ้ามากู้เขาที่ถ้าบอกว่ามีมันเอาไปกล่าวเสมอถ้าเขาว่ากู้เงินเราไม่อยากจะให้ถามีทางไหมบอกไม่มีคําว่าไม่มีเนี่หมายความไม่มีจะให้ ไม่มีจะให้ีอย่างนี้ถือวารักษาประโยชน์พวกเราน่าไม่ได oh ้ทำลายประโยวน์ขงเขาเขาไม่มีสิทธิ์จะได้เงินจางเราฟรีถ้าเขามีสิทธิ์จะได้ฟรีเราทําลายประโยชน์ที่เป็นมือสามวัาที่เรารักษาประโยชน์พวกเราด้วยน่าไม่ทำลายประยวน์ขงเขาไม่เสีว่าเป็นมือสามวัาจะไม่มีนะไอขายของไม่กัะเัง เือมาหนึ่งบาทขายโิบบาทลดไม่ได้แต่ซื้อมา99้าที่เก้าบาทเก้าท้าสงไปเลยก็บอกเขาที่บอต้นคุนมันแพงขายน้อยไปก่อนนี้ไม่ได้คำว่าแพงนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่การจำกัดคนสูงใช่ไหมมาแค่นี้อ่ะจัจัดหาท่ก็รวมความว่าใค้มาตะวันเฉพาะสินค้าที่สำคัญเป็นเรื่องคนเลย นีเป็นองค์วัสดุดาบนแล้วอุบสกมารุติกรรมฐานที่บรรดาท่นยานผู้ต้องปฏิส่วนใหญ่อาจจะเป็นทุกคนก็ได้ที่นั่งในทีน่นี้มีความต้องการอยู่แล้วไั่คือต้องการพนิพพานผุปสมานุตกรรมฐานนั่คือต้องการพรนิพพานถ้าตายเมื่อไรเพราะพนิพพานเมื่อใั้นเขาเรียกอุบาสมารุาติกรรมฐานถ้าอย่างนี้พวกเราก็เป็นฐานอยู่แล้ว ถ้าถามว่าเป็นฌานเป็นยังไงนั่งหลักตาปีนั่งหลับปีนั Pal ้นตาปีนั้ไม่ใช่ฌานคือคําว่าฌานในตัวนั้นต้องการเป็นอารมณ์เป็จิตเป็นดวงตัวอยู่ในคำว่าอนุสติทั้งหกธรรมมาสติก็ับอนุสติเหมืนกันทึ้งเจ็ดอนุสติทั้งเจ็ดอย่างคือหนึ่งพุทธานุสติสองธรรมมาสติแต่อนุสติยะาตแไม่ออก หน João, ึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าเคารพบุพเพเจ้าสองเคารพธรรมสาเคารพพระอริยสองนึกถงท่านสามเคารพในสิไม่ยอมลเมิดสีนึกซึงภัยใจบริจาคตั้งใจแย่ทานในการแย่ทานนี้ต้องรมาตระวงอย่าให้ทรงเดชถ้าเรามีน้อยก็ไม่ควรย่าให้ถ้าให้แต่ตอนไม่ควรให้้แล้วไม่เดือดร้อนให้หลังไม่ควรให้ตามคำแนะนำของพุทธเจ้า ไม่แค่มีเท่าไรก็ให้เป็นหมดอันนี้ไม่ถูกต้องเรายวกตอนแค่ไม่ได้แล้วก็เทวตารู้สตินึกถึงความดีของเทวดาไในแต่ไอบาปเป็นตัวปุ่งของบาปนีกตอนรู้สติการนึกถึงผลิพันธ์เป็นอารมณ์ก็เป็นอนุสติหรืออุปสมานุสติคําว่าอนุสติทั้งหมดนี้ไม่ต้องหลักตาภาวนาถ้าทําเป็น ถ้าถามว่าจะต้องการทำสมาธิด้วยเดือนไม่ต้องสองสองมาไา้ถ้าว่าจะทำสมาธิจะใช้บทภาวนาหมดไหนก็ต้องปฏิบัติใจอะไรขนาดทำเพื่อจิตเป็นสุขแคลนทรงตัวแต่เนื้อแท้จริงๆเขาลุกขึ้นปิดนี้เขาไม่ต้องหลักตาภาวนาให้จิตมนนึกทรงตัวอยู่เสมอว่าเรามีความเคารพผู้เล่นเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย มีความเคารพในศิลปคือเราไม่ยอมเมิดม่ถึงถึงแค่นี้จะเป็นศิลปะมันที่เลยไปหน่อยคือการการรู้สติการเล่นพื้นท า, า, ายการบริจาคต้องการให้ทานต้องทารสุาะ อ, อ, อันนี้เป็นการตัดลงพระต่อโลภเพื่อพระอานเลยนี่จะเล็งเล็กทีกก่ใหญ่มากแล้วก็เทวตานุสสติ เทวดาโนสีนี่บางีพวกเราจะครบเลยไม่ที่ิตต้องตารท่านญาติมามาลายท่านแม่มามาลายทั้งนั่งทั้งไม่นีเลยนี่หน่อยแต่คําว่าเลยไม่ใช่ไม่ใช่เลยเลยเป็นความเคารพในท่านคนจิแต่ว่าควรจะล่วงความดีของท่านในฐานะที่ได้เคยเป็นเทวดาได้เป็นพระเจ้าว่าท่านไปก็อะไร ที่ท่านเป็นเาจ้าดาได้เป็นนางฟ้าได้เป็นพระอาเรชจ้าได้ก็ที่ที่เราศักดิ์สิทเป็นลวงเอาตนในไม้ไผ่ที่ทริความอายเจ้าความชั่วซึ่งที่ว่าความชั่วเนี่เราจะไม่ทําทั้ตงตนหน้าคนลณ์ของคนมีนความอายความชั่วโพษฐ์ตักเป็นโกผลความชั่วใจสมเป็นท <c oughs> ุกอยู่ในไม่ใผ่นะ ไปทีเราจะปฏวตราต้องีนเป็นปัจจัยม่ใช่านตัวแก่านุ็ติดกอณีปฏิวตเราต้องิณีถ้ใช้เป็นเนี่ยเป็นปัจจัยเียม่ใช่คนถ้าายความท่วเทีนตัวครายท่วความท่วมมันก็ค่อยๆมมีเปลียนน้อยๆไห้ใหม่ๆก็เสือได้ในที่สุดเราก็ติดบริงที่ตากันแน่ แกต่อรองหลวงพ่อจะมาดุสิตสงครานจิตใจต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ไนี่เป็นตัวเองไม่ไปไหนถ้าตายเมืรัยจิตจ้ามุ่งพริพพานถ้าประเอิยงบนพัฒนาบริที่สร้างไว้มีกําลังไม่เข้มข้พอยังไปพริพัานไม่ได้แต่กําลังอ่อนมากก็ไปพักที่เทวดากําลังอย่างกลางก็เอาจิตผมแล้วไม่ายหลังตามมา ก็มีอุวสังมารติดอยู่ภาพในทันในร่มอยู่แล้วจิตมันมุ่งตรงจะพ้นทันไปแต่ถ้าว่าคณะบรรดาท่านผว้บริสัทธ์ตามที่ท่านแม่ที่ทัญนญาท่านพ่อแล้วก็ตามท่านทั้งหมดท่านตัดสินใจบฏิภาณเพราะว่าท่านมั่นใจว่าทุกคนมีก่อนจะตายนจะต้องเป็นอะงรกันแน่ ทำว่ า, าอรา่ราาอยมนกระวัดจะไปเลกแต่วนันนุ่กันเก่งนุกระโปรงจนไปเดนมร์กอิตาล่นี่เป็นไปได้หรอกจะต้องเป็นกันวันทายถ้าวันไหนจะ่ายและเึ็นกันวันนั้นแต่ก่อนที่จะเปก็ต้องท้อนกำลัในจในรูปติ้งทีจะเปไว้ที่พวกเราได้ทำงานอยู่แล้วมั่นคงตูอยู่แล้ว ตอนกำลังใจว่าเราเคารพพระพุทธเจ้ามาทำพระอริ ย, ย, ยสงฆ์ถินท้ายอย่างเต็มก่องยาคาลุสติทำไม่ถูกเป็นปกติจะําลายโลภะความโลภเทวารู้สติอายความทักเพืนอนตัถึงความชั่วอ น, นี้ความชั่วจ ะ, จะเข้าใจใจประจิตใจเสียน้อยๆและจากการต้องการปฏิปันเป็นอันี้เป็นปกติว่าเป็นญานี้เป็นปกติ จะกระจงทำลายอวิชชาด้วยความคิดสางความเป็นจริงว่ากายเซลล์มนุษย์มันเป็นทุกข์ไต้องการมีอิริร่างกายเป็นสตูนสำหรับเราตัวเป็นฆ่ามันลอยมันมีมันมีแล้วก็แล้วจะไปมันหิวเพราะร่างกายทุกข์เพราะร่างกายหนาวเพราะร่างกายแสบเพราะร่างกายเจ็บไข้เมื่อปายเพราะร่างกายมีกายรักแทจะขอรักคอนทอกใจตือนใจเพราะร่างกาย ผกงเวทนามีหนักร่างกายร่างกายมันหรึบอย่างนี้ถ้าหากว่ร่างกายนี้ฟังไรเราต้องการมีควัมสุขเดียวเวลาที่ฟันที่มันจะตายมันจะมีความรู้สึกเหมนเวลานั้นผู้กงเวทนาจะมากก่อนหน้านั้นไม่ก็มีทุกงเวทนารมองเบื่อไม่ได้เกิดเพราะร่างกายมันไม่ดีแบบนี้เราไม่ต้องการมัน อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้แค่อใจฉาเดียวอารมณ์ตัดคือความเอร์อรันเนี่ยมาทันทีเมื่อความไปผาหลังข้ามาถึงก็มีมิตเดียวในอรัือว่าไม่ต้องตายกเกิดประเภทนี้ต่อไปไล่กายยงนี้เราไม่ต้องาแค่เนี่อารมณ์ย่านี้เกิดคึนกตายทันทีตายตอนไหเขาไม่ไตายเสสเขาไป็นสยกัน เมื่อถึงนิพพานแล้วก็ต้งเลิกไปถ้าเลิกนิพพานก็ต้องไปอาวีย์ทีตอนนิ้ไปน็บรรดาจักรพุทธบริษัทท่านนะคือว่าไว้นี่อย่างจริงนะตอความดีของเราตรงอยู่แล้วเวลานี้เราต้องวางสาคัญหนักจร่งจอย่างเลยคือเป็นรื่องของข้อธรรมเนียมกายจักรพุทธบริษัทจันไรที่ปฏิบัติมาทุกอยอางสําหรับท่านที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ขอยใช้ภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้านึกตามมาพุทเสียหาในออกนึกตามพุทโธจนหลับใจจงนี้เสียสิบบาทสได้จจึ่อีถ้าภาวนาและพิี่จอน่าจะไม่ข้างตรงนีแล้วไม่ต้องเปี่ยนแค่ตามเดิมเพราะว่าถ้าเปลี่ยนจะเป็นกายขึ้นต้นใหม่เด็ดขาดหรือว่ากางจะได้สัสานล่ะทาพุทธรูกจังใจสมาทาหินสมาภารสมฐาน ต่อไปสักจะนำปสการณ์ตระหนัรใยก่อนโยโซปการวารังสมาสมบุทโย เวลายาตูยินาภะวะตาธโมตุปปติปโนยะภาะวะตูสาวะกะสังโฆสามยังภะวันตังสะมังสะสังขัง ด a เมอิเตกาเรอิยะธาระังอโรปิเตออาิปุติยามาดูเมอิเตกาเรอิยธาระังอโรปิเตออาิปุติยามาจนโนพันติภะคะวาสุตีระบริณิปุตโตอังปีจโนพันติภะควาสุตีระ ปชมาชนตาุกัมปมาณสานจิตเมสการีทุกขตาปนาจารปุติบริคันหาตูมหังดีระตังิตายะสุขายะ อะระหังตัมมะสัมปุโ e ภิกขุันอะระหังตัมมะสัมปุโตภิกขุวันตังภิกขุวันตังอะพิวาลีมวาคาโตภิกขุวา a ตาธโมวันะวาคาโภิกขุวายตาัมมังนะมสม โยปะฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโฆสั้งขังนะโมมีตอนนี้ไปคุณดายาจนหลายท่านใจสมาทา น, นีแปดนะโมทัสสะภะควะโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เทควาตูอรหัตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะเทควาตูอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขจามิทังขังเระนังขจามิภูติยปีภูังเสระนังขจามิภูติย ทิามังสระนังขจามีบิดามสังสรังขจามิดังมิดสังสระนังขจามิามีุทัสระมีิดามทังสระังคีัาม อาติยมปิสังขังเทระนังขัชามิปานาติปานตาวีระมณีสิคาปะธังสมาจิยามิ <c oughs> อาหินาทานวีะมณีสิกขาังสมาทยามี นะครามัจจาอิยาวีระมณีสิข้าวะทังสมาทยามีนะครมัจอิยาวีระมณีิขาวะังสมยามมาวาวีระมณีสิข้าวะทังสมาทยามี สุราเมรยาชฌพมาตทานนาวีระมณีสิคาบาทังสมาทิยามีการผูชนะวีระมณีสิคาบาังสมาทิยา นักชีวิตว่าท <Hop inha> ี่สวิตูกาชาณามลาคันทวิเลปนัณชาญนาวิภูสนาธานาวิจะมีศิษยาภัณฑ์สมะที่ยามี ทศยนาวีระมณีสิข้าวะทังสมาทิยามาทิมานิอัตถะติขาวะท่านิสีเลนะสุขติยันติสีเลนโภคสัมปทาน ีเลนในโพธิ์จรติสสมาสีลังวิโสเยอตอนนี้ไปเขาญาติโยมทั้งหมดว่านโมโสามจบพร้อมกันเพื่อสมาทานบรรพชัาาน คุณหาทางอริยจักรมีถ้าได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เทอเรนถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพรอมมอบกายวายชีวิตได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอรัตนาบุรมีพรบพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพิเรษบพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอาริยสงฆ์ทั้งหลายภูมอาจารย์ทั้งหลาย เกิิดกันมามีหลวงพ่อปานบัานโกเป็นที่สุดออได้โรยกติ้งข้าไเจ้าขึ้นสูภาวะพระกรมมฐานทัสี่สิบพัฏรศีตทั้งห้าและยุปัญนายานทั้งเกาออเปกรฐานทั้งสี่สิบัราศี ปีติทั้งห้าและรูปัญญาญาทั้งเก้าลงมาบังเกิดกลายกดในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้านักการบัดนี้เถิดขอให้โปรดยกขึ้นข้าพเจ้าขึ้นสภาวะของไม่จะกิ้ สามากําหนดจิตผู้ภาวะการต่างตางทั้งอดีตผลาดีอน า, นาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อดูแล้วใหาเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนอย่างใสและพยาียกรได้สา่ความเป็นจริง ปฏัติกใจที่พงมาเกิดใจเข้ามาเจ้าเพราว